อาจารย์ครับกรธรรมสการครับผมยารันพรคุณหมอท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านพระอาจารย์ครับวันนี้เป็นการจัดรายการวิสัชนาธรรมครั้งที่สองร้อยสี่สิบสี่นะครับผมเมื่อเช้าพระอาจารย์วินาิบะต์คนไปใส่เยอะไหมครับผมก็สี<อ>่ร้อ<ก>ยหกสิบหกคนโอวันนี้ก็เยอะตามประมาณนี้สี่ร้อยกว่าครับผมออนไลน์สองร้อยไหครับอาจารย์ Like นะออนไล์สี่ร้อยนะปมาสี่รอยันประนี้สองร้อยกว่าเข้่เกินไปวันนี้ีช่วันพระครับผมสองร้อยกว่าครับแล้วฟังทำต่อไปครับ อ, อ, อารมันทำที่นาปุเก็สองรอยกว่าวันนี้สองรอยสิบเอ่อเท่าไหร่เดี๋ยวดูครับผมสองร้อยยี่สิบสามครับแล้วรวมกันทั้งบ้านที่บ้านด้วยที่ เรา816คนโอ้สาธุ816ตอนนี้ที่นี่ก็ประมาณ700ครับอาจารย์ครับ700คนแล้วครับอาจารย์เร็วกว่าจะจบก็ประมาณพันกว่าใช่ครับอาจารย์ครับมันทยอยเข้ามาเยอะครับผมพระอาจารย์ครับวันนี้ก็อยากจะฟังทำเรื่องสั่งยชนสิบครับอาจารย์ครับกลับขอปัญญาจากพระอาจารย์ครับผม ทังโยดสิทธ์ก็เป็นชื่อของกิเลสที่ที่ผูกมัดจิตใจให้ติดอยู่ในการเป็นว่ายตายเกิดในในตายพบในการมาพบรพู้มาพบหรืออรูปรพบ ก, ก็คือในสังสารวัตเป็นว่าตายเกิดอยู่เพื่ที่จะออกจากการเียนว่ายตายเกิดเข้าสู่นิพพานต้องสัดทังโยดทั้งสิทธนี้ออกไป ให้ได้และการจะตัดสังโยชน์นี้ได้จิตก็ต้องมีสมาธิในระดับอับปปนาสมาธิขึ้นไปในฌานสี่คือต้องมีอุเบกขาหยุดหยุดจิตได้เพราะหยุดจิตก็จะหยุดสังโยชน์ได้ถ้าหยุดจิตไม่ได้ก็อยู่สังโยชน์ไม่ได้ถ้าใช้ปัญญาพิจารณาเห็นว่านี่คือสังโยชน์นี่คือตัวที่ พดึงให้จิตต้องมาติดอยู่กับการเป็นไหวตายเกินเห็นเบื้องต้นผู้ที่จะต้องการจะละสังโยชน์นี่ต้องต้องอต้องเข้าฌานให้ได้ก่อนเข้าสมาธิเข้าฌานให้ได้ก่อนในการจะเข้าฌานก็ต้องมีศีลเป็นผู้สนับสนุนศีลก็อย่างละต้องเป็นศีลแปดขึ้นไปศีลห้าเนี่ยมันไม่มีกำลังพ่อ อันนี้พูดถึงคนที่ไม่มีสมาธิเราอยากจะสร้างสมาธิขึ้นมาแต่และคนที่ก็มีสมาธิอยู่แล้วเขามีอุเบกขาอยู่แล้วเขาอาจจะไม่ต้องมาถือศีล4ก็ได้เขาจะมีศีล5อยู่เขาก็ามมาสามารถใช้นี้สมาธิที่เขามีอยู่นี้เวลาสังนิโรธได้บางคนบางทีไม่เข้าใจคิดว่าโอ้บางคนพรสงฆ์บ้านนั่นถือแค่ศีล5ท่าวก็เป็นโซดาบันได้ นั่นก็เป็นเพราะว่าท่านมีสมาธิอยู่แล้วชาติก่อนท่านเคยบำเพ็ญสมาธิมาก่อนไม่อยูเบิกขาอยู่ในใจแล้วพอท่านได้ยินในฝังธรรมที่พระเจ้าทรงสอนคือปัญญาอริยสัจ ส, สี่ได้รับท่านก็สามารถละสังโยชน์ที่เกี่ยวกับความยึดมัน่นถือมั่นในร่างกายได้อันนี้นต้องเข้าใจว่าในใจท่านานั้นต้องไม่อยู่เบิกขาเป็นอย่างตำ่ำ ถ้าไม่มีอุเบกขานี้หยุดใจไม่ได้ถ้าหยุดใจไม่ได้ก็หยุดสังโยชนไม่ได้พรสังโยกาสารการทำงานของใจนี่ครับเพราะฉนั้นสรุปก็คือต้องมีอุเบกขาสมาธิในระดับรูปปรจจานสีขึ้นไปนก็จะสามารถมีกำลังพอเราใช้ปัญญาวิเคราะห์พิจารณาและสังโยชน์สามข้อแรก สัจัยทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลปัตตปรามากการละสามโยสามข้อนี้มันละเป็นพวงถ้เาเราละเพียงข้อเดียวมันก็จะละอีกสองข้อได้ข้อที่เราต้องละก็คือสกจัยทิฏฐิคือการเห็นว่าร่างกายนี้เป็นตัวเราของเราอันนี้เป็นความเห็นผิดเป็นกิเลสเป็นวิ ช, ชากิทิฏฐิความจริงร่างกายไม่ใช่เป็นตัวเราของเรา เราไม่ได้เป็นร่างกายแต่เราไม่มีรูปร่างหน้าตาเราก็เลยรลงไปคิดว่าเราเป็นร่างกายเราผู้สั่งให้ร่างกายทำอะไรต่างๆนี้ไม่ใช่ร่างกายเราเรียกว่าใจหรือธานรู้ที่มีความสามารถที่จะคิดที่จะรู้ได้แล้วก็มาครอบครองร่างกายตอนที่มีปฏิสนธิในครรน์แล้วพอเข้อเรามาก็สั่งการให้ร่างกายทาตามความอยากของใจ ใจอยากเสพรูปเสียงกลิ่นรสต่าง ๆ, ๆก็เลยต้องมีตาของจมูกนิ้วกายของร่างกายทึงต้อมาเกิดกันแต่พอมาเกิดแล้วก็ต้องมาเจอปัญหาคือปัญหาของร่างกายคือต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายพอร่างกายเจ็บหรือตายนี้ก็ทุกข์ต้องลำบากกันจทย์ของพระโสดาบันก็คือทํางาน ไ, งไม่ให้ทุกกับความเจ็บความตายของร่างกายอากย็ต้อง เนีย่ยใช้ปัญญาที่พุทเจ้าสอนว่าร่าการนี้ไม่ใช่ตัวเราเป็นเพียธาตุสี่นิลทำมาจากธาตุสี่นิลน้ํำลมไฟมีอาการ32อาการเช่นผมขนเล็บฟันหนังเป็นต้นแล้วก็เป็นตายลักเป็นอนิจจังไม่เที่ยงเกิดแล้วก็ต้องแก่เจ็บตายอนัตตาไม่มีตัวตนเป็นธาตุสี่นิลน้ํำลมไฟถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็ ปล่อยให้ร่างกายแก่เจ็บตายเนี่ยใช้ที่ใจทุกข์เพอยากให้ร่างกายไม่เจ็บไม่ตายความอยากไม่เจ็บไม่ตายนี่แหละเป็นตัวที่สร้างความทุกข์ให้กับใจความทุกข์นี้ของใจนี่ต่างกับความเจ็บของร่างกายคนละตัวกันนะความเจ็บของร่างกายเกิดจากการอาภาษณ์ความไม่สบายของร่างกายร่างกายปวดฟันอย่างนี้ปวดเท้าปวดแขนอะไรมันเป็นเรื่องความไม่ปกติของร่างกาย ทำให้เกิดความเจ็บทางกายแต่ความเจ็บทางกายนี้ไม่ใช่ความเจ็บที่เราพูดถึงความทุกข์ที่เราพูดถึงในทุกในในอริยสัจสีนี้ทุกที่เกิดจากความอยากอยากให้ไม่เจ็บอยากให้ไม่ตายนะถ้าเราไม่อยากจะทุกข์เพราะความทุกข์นี้มันมันมันลุอลายนี้กับความเจ็บของร่างกายก็ต้องอยากไปอยา มันจะเจ็บก็ปล่อยมันเจ็บไปมันจะตายก็ปล่อยมันตายไปอถ้าทําได้ต้องมีอุเบกขาถึงจะหยุดหยุดหยุดความอยากได้อยากความอยากให้รู้เฉยๆตอนนี้ร่างกายเจ็บก็เจ็บตอนนี้ร่างกายเป็นมะเรก็เป็นร่างกายเหลือเวลได้หกเดือนก็รู้ว่าเหลื่อยหกเดือนอมถึงวันสุดท้ายก็รู้ว่ามันวันสุดท้ายของร่างกายนี้ก็เฉยๆไปไม่มีความอยากให้มันไม่ไม่เจ็บ ไ, ไม่ตาย ใจก็จะไม่ทุกข์ทุกข์ในใจก็ดับไปก็ถ้าผรได้รัสัโยชน์นิโรธในอริยสิทสีคือความทุกข์ดับไปก็ปรากฏขึ้นมาผลที่เกิดจากการมีมากคือปัญญามีมีสมาธิแล้วมีศีลแล้วแล้วก็มาเจาริญปัญญาอีกครั้งหนึ่งให้เห็นเห็นตายรักในร่างกายก็จะ หยุดความอยากไม่ให้ร่างกายแก่เจ็บตายได้เพราะห้ามมันไม่ได้ร่างกายเป็นเหมือนดิ น, ดนฟ้าอากาศเราไปห้ามไปสั่งดินฟ้าอากาศไม่ได้ทำให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่ได้เราเราไม่ค่อยทุกกับดินฟ้าอากาศใช่ัหมเพราะเรารู้ว่าเราเราห้ามไม่ได้เราอยากไม่ได้เราต้องมองร่างกายเหมอนดินฟ้าอากาศยอมโดย ด, สดุสเียยอมอย่างเดียวยอมหยุดเย็นเนี่ที่จะใช้สุด มแล้วก็หยุดต่อต้านคือหยุดยุนหยุดความอยากให้มันไม่เจ็บไม่ตายพอหยุดความอยากได้ปับ๊บเนี่ยมันก็ใจก็เย็นสงบนิโรธคือการดับของทุกข์ก็ปรากฏขึ้นมาทุกข์หายไปใจก็อยู่อย่างสบายกับร่างกายที่จะที่จะตายที่ที่เจ็บอยู่แล้วที่จะตายต่อไปพอพอเห็นพอละได้ก็เห็นอริยาาสัจสี่ทำงานอย่างชัดเจน เห็นทุกข์ใจที่เกิดขึ้นเกิดจากความอยากเห็นนิโรธเกิดการดับของความทุกข์ใจนี้เกิดจากการมีปัญญาเห็นไตรลักษณ์เห็นนิาสังขุกขังนัสตาในวันนี้มีดวงตาเห็นธรรมเลเห็นธรรมมากของพระเจ้าเห็นอริยสัจสี่เห็นมีดวงตาเห็นธรรมพระเจ้าก็แสดงไว้ว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตพอเราเห็นอริยสัจสี่อย่างชัดเจนเราก็รู้แล้วว่าเนี่ย นี่เป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าอย่างนั้นพระพุทธเจ้านี้ไม่ต้องสงสัยว่ามีจริงหรือไม่มีจริงเพราะถ้าไม่มีจริงคําสอนนี้จะไม่ปรากฏขึ้นมาได้ครับก็เลยเชื่อพระพุทธเจ้าว่ามีจริงไม่ต้องไปอินเดียไปพิสูจน์ไม่ต้องไปทังเวทั้งสี่สถานไปยืนยันว่าพระพุทธเจ้ามีจริงเห็นจากการปฏิบัติในใจของเรานี่เลยแล้วก็เห็นด้วยว่าพระสงค์ก็มีจริงพระฤๅษีงสงสารงผู้ที่บรรลุมรรคผลนิพพาน ก็คือเนาเนี่แหละผู้ที่ละสัมโยนได้เรานี่แหละก็คือพระอริยสงสาวขึ้นอ่ะก็ได้เห็นตรกกะการทํางานของกฎแห่งกรรมเหตุผลกฎแห่งกรรมความอยากเป็นเหตุความทุกข์เป็นผลหยุดความอยากได้ความทุกข์ก็หายไปไมันก็เป็นกฎแห่งกรรม ม, รมันก็รวมไปถึงการทําความดีกับการทําความเชื่อเหมือนกัน ทำบุญ้็จิตจะมีความสุขทำบาปก็จิตก็จะมีความทุกขนะ์ก็เลยรู้ว่าทำบาปไม่ได้โดยเด็ดขาดถ้าไม่อยากจะมีความทุกข์เกิดขึ้นมาเป็นพออะระอริยสงสาวุกทุกองตั้งแต่ขั้นโสดาบันขึ้นไปจึงไ ม, จงไม่จึงไม่ทำบาปโดยเด็ดขาดเพราะการทำบาปเหมือนกับการเอาของแข็งมาทุบศรีรษะเราเลยแต่คนโง่คนที่ไม่มีปัญญากับกับกับทำกัน ทุกทรมานใจเท่าไหร่ก็ไม่เป็นไรขอให้ได้สิ่งที่ตน อ, อยากได้เพราะทุกที่เกิดจากความอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้มันทรมานกว่าใช่ไหมสิ่งตอนนี้อยากได้ตําแหน่งกันอยากได้อะไรกันนี่วิ่งเต้นกันคบคนที่อยากจะต้องโกหกหลอกลวงกันบ้างก็ไม่เป็นไ ร, รอาจจะไม่รู้ว่าทําบาปไปเรื่องเท่ากับการเอาคอ้อนมาทุบศรีรษะตัวเอง ทุกในตอนตอนที่มีชีวิตอยู่แล้วยังไม่พอเวลาตายมัยังก็องไปทุกต่อในใบอีกด้วยเพระนั้นพระโสดาบันผู้เท่าสังโยชนได้ผู้มีดวงตายทำก็จะไม่มีการอาไม่มีการลูกคำในศีนลว่าศีลมีความจําเป็นหรือไม่ศีลเป็นสิ่งที่ต้องรักษาพอรักษาศีลได้ก็ปิดประตูอบายได้ะ ภริยบุคคลตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปก็จะไม่ไปเกิดในบาบยอีกต่อไปอ น, นี่ก็คือสังโยชน์สามข้อแรกก็บรรลุขั้นที่หนึ่งของเป็นภาริยาบุคคลที่นี้ก็มีสังโยชน์อีกสองข้อต่อมามการมาราคะกับปฏิฆะการมาราคะก็คือความอยากเสพกามอยากร่วมเพศกันแล้วก็พอเกิดความร่วมเพศแล้วก็จะเกิดกอารมณ์หงงเหยียดขึ้นมา ก็ต้องไประบายด้วยการร่วมเพศพอไดร่วมเพศเสร็จอาการมุงเย็ดก็หายไปแต่มันหายไปชั่วคราวเดี๋ยวความอยากร่วมเพศก็กลับมาอีกเหตนวิธีนี้ไม่ใช่เป็นวิธีแก้วิธีแก้ก็ต้องหยุดการมาราค่าให้ได้ถ้การจะ ห, หยุดการมาราค่าให้ได้นี้ต้องเห็นร่างกายที่เราหลงรักมีความไข่ควาเป็นของไม่สวยงามเช่นดูร่างกายเวลาที่เขาตายไป ก็ให้หน้าตาดีขนาดไหนรูปร่างวสวยขนาดไหนเพราะไม่มีลมหายใจแล้วไม่ไม่มีใครอยากจะไปแตนะแล้วใช่ไหให้ให้นึกถึงซากศพของเขาเวลาที่เขาเป็นซากศพหรือวหรือจะดูอวัยวะต่างๆที่มีอยู่ภายใต้ร่างกายของเขาก็ได้อย่างคุณหมอเนี่ยเร า, า, าตอนไม่นีม้มันต้องเห็นนะถ้าจะเห็นถ้าจะมองมันก็เห็นแต่มันไม่มองกันนะ <c oughs> ถึงแม้มีภรรยากันมีสามีกัน เราไม่เอามาใช้ทางในทางกจัดการมราคากันถ้าเราสามารถที่ใช้อสุภะลดการมราคาให้เบาบางลงเพิ่ประมาณถ้า้าสรเท่านก็บอกได้บรรลุธรรมบรรุรพระอริยบุคคลขั้นที่สองคือพระสกิณานาคามีพระสกิณาคาคเนี่าทำให้สังโยชน์ข้อิเบาบางลงไปแต่ยังไม่หมด เพราะว่าบางทีท่านก็เห็นเป็นอสุภะบางทีท่านก็เห็นว่าเป็นสุภะเห็นสุภะการมารคาก็ผล่ขึ้นมาพอเห็นเป็นการเป็นอสุภะการมารคะก็จะหายไปข้าก็พยายามหมั่นจังลัสุภะให้บ่อยขึ้นให้เห็นตลอดเวลาทุกครั้งเวลาที่เห็นนั่งกายใครที่นั่าดูน้าชมและเกิดการมารคาก็อสุภะต้องมาทันทีถ้าสามารถดับอสุภะได้อะ การมรรคไในตลอดเวลาก็เป็นขั้นที่สามขั้นพระอนาคามีก็ลัทธิสัมยตได้ทั้งหมดห้าข้อสามข้อแรกของพระโสดาบันอีกสองข้อแรกของพระ ส, ร ก, ร ก, ระสะกิริฎาคาคภะอนาคามีหาข้อแรกนี้ท่านเรียกว่าสัโยชตเรื่องต่ําเพราะเกี่ยวกับร่างกายเกี่ยวกับร่างกายเราต้องเข้าใจธรรมชาติของร่างกายพระโสดามันต้องเข้าใจว่าเป็นของไม่เที่ยไม่มีตัวตนเป็นนินัย ดื น, น้ำลมไฟพระสกีตาคากับพระนาคาต้องเข้าใจว่าร่างกายนี้ไม่สวยไม่งามเป็นอสุภะก็จะสามารถกำจัดสังโยชน์ที่เกี่ยวกับร่างกายได้หมดผู้ที่สามารถกำจัดสังโยชน์ได้หมดก็ไม่ต้องกลับมาเกิดในกมามโลกอีกต่อไปโลกของมนุษย์โลกของเทวดานี้จะไม่กลับมาเกิดแล้วเพราะไม่มีความปรารถนาอะไรจากโลกนี้แล้ว ไม่มีความอยากจะร่วปเพศจบใครไม่มีความอยากที่จะเสียงรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆผ่านทางตางหูจมูกนิ้กายผ้าหนาคาจึงเป็นผู้ที่ไม่กลาบมาเกิดหนาคาแปลว่าไม่กลาบมาเกิดไม่กลับม า, ม ล, บมาละเกิดในกมามะภพแต่ยังไปเกิดอยู่ในรูปะภพอรูปะภพอยู่เพราะท่านยังมีสังโยชน์อีกห้าข้อที่ยั ง, ยงทําให้ยึดติดอยู่กับกามยึดติดกับรูปรูปประชาญกับอรูปประชาญ ถ้าติดรูปปัจจานก็ต้องไปเกิดในรูปภพถ้าติดอรูปปัจจานก็ต้องไปเกิดในอรูปภพนะฮะก็ยังมีสังโยชนห้าข้อที่พรานาคามีต้องละถึงจะได้เป็นพระอรหันต์ได้เขาเรีสังโยชนเบื้องบนมีความยึดติดในรู ป, ป ร, ราคะในรูเขาเรียกรูป ร, ราคะในรูปปัจจานยึดติดในอรูปปัจจานก็เรียกว่าอารูป ร, ราคะมีมานะ ถือตัวมีอุทจฉาการคิดแบบไม่มีขอไม่มีเขตไม่มีการยับยับ้งแล้วก็มีอวิชช า, าทั้งพวงเหมือนกันเรามาแก้ที่อวิชชาคือตัวไม่รู้ว่าการยึดติดในความสุขของความสมงบของฌานก็เป็นเป็นทุกข์รูปฌานและรูปฌานก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาถ้าไปติดก็เหมือนกับติดกามติดรูปเสียงกิจรสนี้ เวลาได้เสกก็มีความสุขเวลาไม่ได้เสกก็อยากอยากจะเสกก็ไม่ได้เสกว่าเกิดความหงุดหงิดขึ้นมาได้เป็นทุกข์ได้ต้องพิจารณาให้รู ป, ประชาญรูปประชาญที่ตอนติดอยู่นี้เป็นทุกข์แล้วพิจารณามานะตัวตอนก็เป็นการถือตัวถือตอนก็เป็นทุกข์เพราะมันไม่มีตัวตนให้ถือความจริงมันเป็นตัวรู้เฉยๆจิตเป็นตัวรู้พอไม่ถือตัวตนเข้า ถือว่าเราดีกับเขาเพอะเขาเขาเขาว่าเขาไม่แครเขาไม่ถือว่าเราดีเขาเราก็ทุกได้เธอว่านั้นอยากไปถือตัวตนตัวตนไม่มีจิตนี้เป็นแค่ตัวรู้ไม่ใช่ตัวตนเวลาเข้าสมาธิเข้าฌานตัวรู้ก็เหลือแต่ตัวรู้ตัวตนหายไปตัวตนเกิดจากความคิดปรุงแต่งแล้วอุทตจานก็คือการพิจารณาทําเหล่านี้จนฟุ้งซ่านขึ้นมาก็เกิดความทุกได้ พวิจารณารรามากๆแล้วยังไม่เข้าใจแล้วแต่ความทุกข์ก็ให้หยุดก่อนอันนี้คืออวิชชาคือการการรู้ปัญหาความรู้ต่างๆความทุกข์ต่างๆนี่ยังยังหลงเลืออยู่ในจิตยอยู่ทุกทุกที่เกิดจากรูปราคะทุกที่เกิดจากครูปราคะทุกที่เกิดจากมานะทุกที่เกิดจากอุททะจกัจกระกาจัดความทุกข์เหล่านี้ได้จิตก็บรรยเสรขึ้นมาทุกข์ก็หมดไป ก็เป็นจิตบริสุทธิจิตบริสุทธินี้เราก็เรียกว่านิพานก่อนจะเป็นนิพานก็พอจิตตอนที่บริสุทธิ์ครั้งแรกนี้มันคก็พอเข้าสู่ความบริสุทธิเต็มร้อยก็เรียกว่าอรหันตผลมันรู้เป็นพระอรหันต์้วพอพอได้เป็นพระอรหันต์แล้วก็ได้นิพานเป็นบางวัคือจิตของพระอรหันต์จิตที่สิ้นกิเลสแล้วนี้ก็จะไม่ไปเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปแล้วก็เรียกจิตนี้ว่านิพาน อันนี้ก็สรุปโดยย่อพูดในความเฉยาจะเชื่อไม่เชื่อก็เราไปพิสูจน์ดูเอาธรรมของพระเจ้าแหละเป็นันติสิโกผู้ปฏิบัติย่อมรู้ได้ด้วยตวนเองโดยอศรรยาศัยคําสั่งคาสอนของครูบาอาจารย์ของ พ, พระพุทพธรรมพระสงฆ์วันนี้ถ้าใครมีอุเบกขาผมว่ามีโอกาสบรรลุเลยครับอาจารย์ง่ายเล ย, เลยทำอุเบกขาเพราะอยู่อยู่หยุดทุกสัญญนณนี้เท่านั้นเอง ขับไื่เนี่ต้องฝึกสมาธิให้มากๆฝึกสติก่อนถึงจะได้สมาธิพอได้สมาธิพยายามเข้าฌานบ่อยๆให้มันเป็นอุเบกขาบ่อยๆเวลาเอามาอุเบกขามันก็จะตกข้าอยู่ในใจอยู่ก <ๆ S 1> ็จะสามารถใช้อุเบกขานี้ไปละสังโยนได้พอเราพิจารณาว่าสังโยนตัวนี้เป็นตัวสร้างความทุกข์ให้กับเรายึดติดในรา่างกายทุกไหมทุกะเวลาร่างกายเจ็บทุกไหกกมเวลาตายตายทุกไหม ต้องปล่อย ป, 7, ปล่อยให้มันเจ็บปล่อยให้มันตายก็จะหายทุกได้ปล่อยได้ก็ต้องมีอุเบกขาเหมือนในบารมีศีลเนี่ยก็ไล่ขึ้นมาจากศีลศีลบารมีแล้วก็เนคขมมะบารามีก็ถือเนคขมมะก็ศีลแปดนี่การละแล้วก็เข้าสู่เบเกขาอุเบกข า, าแล้วก็ไปปัญญาบารมีต่อชุดเดียวกันเลยนะครับอาจารย์ชุดเดียวกัน แต่พวกเราโชคดีเราไม่ต้องไปค้นคว้าหาด้วยตัวเองเราไม่มีปัญญาพอที่จะไปค้นคว้าเรื่องราเหล่านี้ได้ด้วยตัวเองเพียงแต่ท่านสานนี่ยังฟังแล้วยังงงกันเลยก็จะว่าเข้าใจกันได้ครับคนเดียวท่านั้นที่จะเข้าถึงอริยสัจสีได้ก็คือพระพุทธเจ้านั่นเองพระโพธรริสัตว์ผู้ที่ยังมาเป็นพระพุทธเจ้าหรือเจ้าชายสิทธาเนีพวกเราถือว่าโชคดีมหาสา ร, รที่ได้มาเกิดในยุคที่ยังมีคําสอนของพระพุทธ พระเจ้าอยู่พระพุทธโ ค, โคโดมโคตระนี้ที่เอาอาริยาาสัจสี่มาสอนพวกเรามารรคแบบสินสมาธิปัญญาให้เรามาพิจารณาตายรับอนิจจังทุกขังมนัตาให้รับทั้งยศทั้งสิบนี้รับได้เราก็อาจารย์หมุดพ้นจกกากกอทุกข์แห่งการเวียนว่าตายเกิดเพราะตัวที่หนึ่งให้เราไปเกิดมันถูกกำจัดด้วยมรรคของพระเจ้านี่ มักแปดหนึง่งศีลสมาธิปัญญาโอเบขากับปัญญาปัญญาเห็นตายรักโอเบคาก็หยุดตามตามที่ปัญญาเห็นด้วยอย่าไปอยากให้สิ่งที่มันเป็นตายรักไม่เป็นตายรักนั่นเองปล่อยให้มันเป็นตายรักกับพระคุณอาจารย์ไปอย่างสูงครับผมอาจารย์ครับแล้วแต่ละขั้นแต่ละขั้นนี่ใช้เวลานานไหมครับผม ก็แล้วแต่องแล้วแต่ปัญญาของเราในท่าใจเบลโดก็มีแสดงว่าองค์หนึ่งท่านมนุษย์ขั้นสซดาบันขณะดเากำลังปองผมอยู่พอมีกนองครัง้งแรกก็เป็นโซดาบันพอลงครั้งที่สองก็เป็นสกีดากาพอลงครั้งที่สามก็เป็นอนนาคาพอลงครั้งที่สี่ก็เป็นอาหารหันปัญญาท่านหมุนติน้ยเลยค้นหากิเลสหาสังโยที่มีในจิตจุท่าน บางครงก็ทิ้งระยะเวลาหา่าอย่างพระนรินทร์รู้สึกว่าท่านก็เป็นพระโสดาบันแต่ท่านมารับกิจมาอุปถัมภ์พระพุทธเจ้าก็เลยไม่มีเวลาไปปฏิบัติเพิ่มเหมือนเป็นหมอทุ่งจบมาใหม่ๆแต่ยังไม่มีโอ ก, กาสไปเรียนเฉพาะทางต้องมารับใช้ครูบาอาจารย์ช่วยช่วยครูบาอาจารย์สอนหนังสือหรือทำอะไรก็แล้วแต่เลยไม่มีเวลาไปเรียนต่อพรานนก็ติดอยู่ เป็นพระโสดามันอยู่ยี่สิบกว่าปีแล้วแต่พอพระเจ้าจากไปสามเดือนก็บรรลุได้เลยครับเพราะว่าพระเจ้าบอกว่า่อยู่ว่าพระเจ้านี่ได้เรียนรู้มากได้เรียนธรรมะแล้วฟังธรรมะตลอดเวลาเข้าใจหมดเพียงแต่ยังไม่มีเวลาไปปฏิบัติเพื่อรักษาโยชนเหล่านี้ฉนั้นแต่ละคนไม่ไม่ไม่เหมือนกันแล้วแต่บางคนก็เร็วบางคนก็ช้า แต่พอเป็นโสดาแล้วก็ไม่เกิดเจ็ดชาติเป็นอย่างมากเพราะบางคนอาจจะมีเหตุ mm. เช่นอุบัติเหตุตายซะก่อนบรรลุโสดาวันนี้พวกนี้โดนรถชนตายอ่ายัางปฏิบัติต่อไม่ได้ก็ต้องรอกลับมาเกิดก่อนหรืออาจจะไปปฏิบัติในในภพภพโฮมที่เป็นภพเทวดาก็ได้ถ้าเป็นเข้าไปอยู่เทวดาก็สามารถที่ยังปฏิบัติทําได้อยู่ก็สุดแท้แต่ ถ้าจะกรรมมาเกิดเป็นมนุษย์ก็ไม่เกินเจ็ดข้างปัย่างมากก็จะพัฒนาขึ้นจากโซดาไปเป็นสกิดาคานาคาตามลำดับกลับขอบคุณอาจารย์ครับเดี๋ยวขอโอกาสถามคำถามจากท่านอื่นนะครับอาจารย์ครับคุณแว่นครับเจ้าอาวาบาบังวัดไม่ออกบินทบาทผิดพระวินัยหรือไม่ครับไม่ผิดหรือพระวินัยไม่ได้ฮะแต่ผิดคําสอนพระอาจารย์มี มีคำสอนอยู่สองส่วนคำสอนกับคำสั่งทำทำให้เรียกว่าคำสอนแล้วคำสั่งก็คือพระวินัยเช่นห้าเสดเมถุนนี่เป็นคำสั่งถ้าเสดเมถุนปั๊บถือว่าประราชิพต้องสึกไปทันทีใน่คำสอนให้สอนให้บิดาบานนี่เป็นเพียงคำสอนคำแนะนำจะจะปฏิบัติตามก็ได้ไม่ปฏิบัติตามก็ไม่ก็ไม่ผิดแต่ครูบาอาจารย์ทางสาย สายวัดป่านี้ท่านถือข้อนี้เป็นข้อสําคัญมากท่านจะรักษาการบินบาตรไปจนกว่าจะร่างกายไม่สามารถที่จะทําได้อย่างหลวงปู่มันเนี่ยพอท่านแก่มากๆท่านเดินเข้าไปถึงหมู่บ้านไม่ได้ท่านก็เดินไปแค่ครึ่งทางแล้วชาวบ้านก็ออกมาดักรอท่านครึ่งทางระหว่างวาัดวัดกับบ้านแล้วต่อมาแก่มากไปกว่า น, นี้ไม่มีแรงก็มามารอที่หน้ามาใสมา่มาใส่บาตรท่านที่หน้าวัดหน้าประตูวัด แ้วพอท่านเดิมนมาที่หน้าประตูว่าไม่ไหวก็ไปสายบา ท, ที่บนศาลาครับผมเพราะว่าข้อนี้มันเป็นเป็นธรรมที่สําคัญเป็นการเลือกชีวิตตนเองโดยที่ไม่ต้องไปพึ่งพึ่งแล้วก็เป็นการสอนให้มีความมักน้อยสันโดษสอนให้รู้สถานภาพจริงของตนว่าตนเองแค่เป็นแค่ขอทานดีๆนี่เองไม่ได้วิเศษวิโสอะไรในทางในทางร่างกาย อาจจะวิเศษทางจิตใจแต่ทางร่างกายก็เป็นแค่ขอทานดีๆเองไม่ให้ลืมตัวไม่ให้ขี้เกียจเด้วยการเดินเดินเดินเนบญทบานนี่ก็ถือวเป็นการเดินจกลมระว่าเดินไปทางเดินเบญทบานนี่มีสติอยู่การเดินขัารับบาไม่พูดไม่คุยกันเป็นเป็นธรรมที่สําคัญแสดงไว้หลายที่ด้วยกันสแสดงไว้เวลาบสถ์ผ้ใหม่ๆก็ต้องสอน สอนยีสายสี่ีสายสี่ของพระคือบินนาบาดเป็นเป็นอาชีพอย่างนัง้แล้วก็ในทุตัววัตก็มีให้บินนาบาดเป็นวัดนั่นถือว่าเป็นข้อวัดที่สำคัญอย่างยิ่งของพระของนักบวชกรณีทนายกับเด็กสิบแปดสะท้อนให้ต้องสอนลูกสาวเยอะๆก็คำถามของเขาบอกว่าคนเป็นทนายจะต้องพึ่งธรรมะอะไรครับ สติไงให้มีสติให้รู้ว่าเรากำลังทําผิดทําถูกมันไม่มีสติแล้วมันไม่รู้ว่ามันไม่ควรจะทําอยู่แล้วของนี้ไม่ใช่เป็นของที่ที่ที่ลึกลับที่ไหนมันต้องรู้อยู่แล้วว่าการมาพืชตนแบบนี้มันไม่เหมาะสมก็ต้องควรที่จะหยุดเสียแต่มันไม่มีสติมันถูกอานาจของการมาราคามันครอบงำมันก็ไหลไปตามพอดีมันก็ คยจะบอกว่ามันก็ต้องเป็นแบบตบมือข้างเดียวไม่ดังหรอกใช่ไหมถ้ามือมือไม่ไม่ตอบแล้วมันก็จบเอนี่มืออีกข้างหนึ่งก็มารับด้วยมันก็เลยมันก็ตบกันไปตบกันมาถ้ามีอยู่แค่ข้างเดียวขอกลับบ้านนี่มันก็จบแล้วครับแล้วเขาถามต่อว่าแล้วในกรณีภรรยาต้องใช้ธรรมะข้อไหนประคองครอบครัวครับอาจารย์ก็ถือว่าเป็นธรรมดา คนเรามันไม่มีอะไรที่งแท้แน่นอนเขาเป็นอนัตตาสามีเราเป็นอนัตตาเราควบคุมบังคับเขาไม่ได้แม้แต่ตัวเขาเองเขายังควบคุมตัวเขาเองไม่ได้แล้วเราจะไปควบคุมตัวเขาได้ยังไงเราต้องถือว่านี่เป็นปัจจัยเสี่ยงในการมีครอบครัวว่าเสี่ยงต่อการที่สามีหรือภรรยาของเราอาจจะเนอาใจเราก็ได้ถ้าเราคิดไว้ล่วงหน้าก่อนเราจะไม่เสียใจเราจะเห็นใจเขาด้วยซ้าไปว่าเอาใจเขาอ่อนแอ น่าสงสารก็มากกว่านะมันก็ถ้าถ้าเป็นเป็นดาถ้าเป็นจาา่ายเปินพระก็ให้อภัยเขาคิดว่าเป็นของเล่นของเขาไปชั่วคราวนะครับท้าก็ยังมามีความรับผิดชอบต่อครอบครัวอยู่เหมือนเดิมทุกอย่างก็บางทีก็ของบางที้มาอยากก็ให้อภัยกันได้ก็ให้อภัยกันไปถ้าเป็นเช่นนั้นก็บ้านแตกสลายขาดคนหนึ่งเดือดอร้อนกันทั้งบ้าน คุณดำถามแต่พระอาจารย์ได้อธิบายละเอียดแล้วครับวิธีละสังโยชน์มีลําดับขั้นตอนอย่างไรและทําไมสมัยพเดจการเพียงได้ฟังธรรมก็บรรลุโสดาบันละสังโยชน์สามได้แล้วครับก็เนี่ยก็เพราะท่านมีฌานอยู่แล้วมีสมาธิอยู่แล้วแล้วท่านสามารถเข้าใจตรรกะของธรรมที่แสดงไว้ในอริยสัจได้ท่านสามารถมองเห็นอนัตตาอนิจจังทุกขังอนัตตาได้ท่านก็สามารถละละสังโยชน์ได้ละความอยากได้ ความรู้สึกรักตัวกลัวตายเป็นเรื่องธรรมชาติของมนุษย์หรือเปล่าครับทําอย่างไรจึงจะพ้นในเวลาก่อนจะตายหรือสิ้นลมหายใจครับมันเป็นธรรมชาติของกิเลสของการมาตัญหาเมื่อมีตัญหาความอยากจะเสพลูกเสียงกลิก่นแล้วมันก็ต้องมีร่างกายเป็นเครื่องมือถ้าไม่มีร่างกายก็ไม่สามารถเสพได้เหมือนตอนนี้คนเราติดมือถือกันนะถ้าไ ม, ม่มือถือนี่จะตายไหมจะจะวุ่นวายไหมจะลําบากไห ม, ย, มยุ่งเลยใช่ไหม นั่นแหละแต่ถ้าเราไม่ได้ใช้มันเราไม่มีความอยากที่จะใช้โทรศัพท์มือถือมีไม่มีมันก็ไม่เป็นปัญหาอะไร是是อย่างเรานี่ไม่ค่อยได้ใช้มันเลยไม่เคยไมเ ค, ย, คยใช้มันชอบก็<พ>ไม่เหนื่อยล้า อ, อะไ ร, 是是รใช่ไหมขายพอมีแล้วมันก็กลายเป็นแขนขาของเราไปทันทีร่างกายมันก็กลายเป็นแขนขาของของจิตไปทันทีอืม พอไม่มีแขนขาจิตก็มันก็อุ่นเงียบเลอยากจะดูนั่นอยากจะฟังนี่ก็ไม่ได้ดูขึ้นมาก็เลยห่วงห่วงร่างกายอยากให้ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ไม่อยากให้ร่างกายตายไปแล้ควคําหลงอีกย่างก็เทาให้ตนเองไปคิดว่าตนกับร่างกายเป็นเป็นคนเดียวกันคิดว่าเมาร่างกายตายไปตนก็ตายไปกับร่างกายด้วยมันก็เลยยิ่งกลัวใหญ่รักตัวกลัวตายเกิดจากความหลงไม่เห็นความจริงว่าตนไม่ได้เป็นร่างกาย ตอนเป็นใจเป็นผู้รู้ผู้คิดที่ไม่มีวันตายจะรู้ได้ก็ต้องเข้าสมาธินะถึงจะเห็นจะเห็นจิตกับร่างกายแยกกันเอาชั่ ว, วข่าวร่างกายหายไปจากความรับรู้ของจิตจิตอยู่หรืออยู่ตามลำพังสัตว์แต่ว่ารู้เป็นลูกจะสอนแม่ได้ไหมครับ ถ้ามีหน้าที่สอนก็สอนได้ไม่มีหน้าที่ก็ไม่ไม่สอนหน้าที่ของลูกคือเรียนจากพ่อแม่ไม่ใช่สอนพ่อแม่นอกจากว่าพ่อแม่ไม่มีความรู้แล้วลูกมีความรู้เรื่องอยากจะถามหรืออยากจะให้ลูกช่วยสอนให้อย่างนี้ก็ได้เช่นสมัยนี้บางทีใช้มือถือไม่เป็นนีบางทีอาสัยลูกช่วยสอนให้ก็ได้เพราะลูกเก่งกว่าพ่อแม่บางทีพ่อแม่ไม่ได้มีเวลามาสนใจใช้ใช้โปรแกรมอะไรต่างๆแอปต่างๆอาจจะสอบถาม ดู ก, กันได้แต่ต้องให้พ่อแม่ถามก่อนให้ให้ผู้ใหญ่ถามก่อนอยู่ดีๆอยากไปสั่งสอนท่านโดยที่ไม่ไม่มีการเชิญเชิญเราให้ไปพูดไปแสดงขอเรียนถามพระอาจารย์หลานชายอายุสี่ขวบถามเราว่าทําไมคนถึงเกิดแก่เจ็บตายอยากให้ท่านอธิบายให้เข้าใจหน่อยครับเราเพ่ออย่างมีร่างกายเป็นเครื่องมือ อยากเสพรูปเสียงกลิ่นรสอย่างนุ่นอยากฟังเพลงอยากกินอยากเดินอะไรเนี่ยความอยากเหล่านี้ก็ต้องมีร่างกายใช่ไหมถ้าไม่มีร่างกายมันก็เสพไม่ได้เสพรูปเสียงกลิ่นรสไม่ได้แต่คนที่ไม่มีอยากคนที่ไม่มีความอยากก็ไม่ต้องไม่ต้องมีร่างกายเพราะพุทธเจ้าพระน่นท่านตัดความอยากไปหมดแล้ท่านก็เลยไม่ต้องมีร่างกายพระนาคามีแตบพระนาคามีขึ้นไปท่านก็ไม่ไม่มีความอยากอะไร อยากจะเสกกลางแล้วไม่อยากจะเสกเรืเรนน่องเสกินแล้วก็ไม่มีความอยากเสกเ ร, รปเสียงกินแล้วก็ไม่ต้องมีตาหูจมูกเลี้ยกายแต่ถ้าพอมีร่างกายปั๊บมันเป็นธรรมชาติของร่างกายว่ามันอยู่ภายใต้กฎของตายแล้วอันนี้จำเป็นของไม่เที่ยงเกิดขึ้นมาแล้วต้องต้องดับไปไม่ช้าก็เร็วเกิดแล้วก็ร้งแก่ต้องเจ็บต้องตายอันนี้เป็นธรรมชาติของร่างกายทุกคน ถ้าไม่อยากจะมีร่างกายไม่อยากจะเจอความแก่ความเจ็บความตายก็อย่าอย่ามีร่างกายก็คือต้องอย่าไปเสพรูปเสียงกลิ่นรสอย่าไปอยากเสพรูปเสียงกลิ่นรสถ้ามความอยากเสพก็ไม่ต้องมีร่างกายก็ไม่ต้องมีความแก่ความเจ็บความตายต า, ยตามมาทุกยอย่างไม่มีกับผู้ไม่เกิดเท่านั้นครับคุณอภิชาติบอกว่าผมรังเลมากเลยครับตอนนี้ระหว่างข้อหนึ่งคือบวช ข้อสองคือทำงานอยากจะขอธรรมะจากพระอาจารย์ครับก็ต้องถามตัวเองว่าเราจะไปทางไหนเรายังจะไปเวียนว่ายตายเกิดต่อไปหรือว่าเราอยากจะยุติการเวียนว่ายตายเกิดอันนี้คือคําถามแรกถ้าเราอยากจะไปทางธรรมเราก็ต้องเราก็ต้องสร้างธรรมะขึ้นมาตอนนี้เรายังอาจจะไม่มีกําลังพอที่จะไปได้ก็ต้องหาเวลามาปฏิบัติทําให้เพิ่มเวลาขึ้นให้มีเวลาอย่างเราก็ลาออกจากงานเลย พอเวลาปีหนึง่งตอนนั้นรู้ว่ายัางไม่บวชไม่ได้ยังไม่รู้ว่ายังไม่มีกําลังพอแต่รู้ว่าเราต้องมาสร้างกําลังสติสมาธิให้มีมากขึ้นก็เลยเราจากงานกำหนดไว้ปีหนึ่งแล้วจะาหลังจากปีแล้วค่อยมาตัดสินใจที่เราจะเอาไปต่อมีกําลังพอหรือยังถ้ามีกําลังพอก็ไปบวชเลยถ้าไม่มีกําลังพอก็อาจจะต้องไปทํางานทำอาชีพเพราะไม่มีเงินนะ งันหมดโชคดีโชคดีมันมีกําลังพอแล้วตัดสินใจบวชได้ก็เลยไปบวชเราต้องมีความมั่นใจว่าเราบวชได้อยู่ได้ปฏิบัติได้ถ้ายังไม่มีความมั่นใจก็ไปก็บางทีก็โลเลยไปแล้วเดี๋ยวเกิดไปเจอปัญหาต่างๆการบวชไม่ใช่อาจะไปอยู่แบบคนเดียวไม่ยุ่งกับใครบวชมันก็ต้องอยุ่งกับคนที่อยู่ในภาชนะด้วยกันอยู่วัดเดียวกันอะไรกัน มันก็มีหลากหลายนิสัยใจคอมันก็อาจจะไปเจอกระทบกระทางอะไรกันถ้าเราไม่มีความหนักแน่นไม่มีอุเบกขาพอนี้ก็อาจจะสั่นคลอนได้เรื่งทางที่ดีพยายามสร้างสมาธิระดับอุเบกขาให้ได้ก่อนถ้าได้แล้วไปบวชสบายไม่มีปัญหาใครจะชมกายดากายว่าแต่ไม่เดือดร้อนเรารู้ว่างานของเราคืออะไรแล้วถ้าทำงานของเราไป การส่งหลานเรียนได้บุญไหมครับได้มีคำถามครับเวลานอนทำไมถึงฝันคนที่ตายไปแล้วทั้งที่เขาเหล่านั้นไม่ใช่เป็นญาติของเราและความฝันนี้จะฝันตอนใกล้สว่างครับคือเรารับรู้เรื่องราวต่างๆในแต่ละวันมากมายเรื่องคนนั่นเรื่องคนนี้ มันก็ฝังอยู่ในใจเราเป็นสัญญาอยู่ในใจพอเวลานอนหลับสัญญาเหล่านี้นก็ จ, จะโผลขึ้นมาเป็นฝันเป็นความฝันขึ้นมาได้ไม่มีไม่มีไม่มีนัยยะเลยมันเป็นเรื่องของความจําของเราที่เราไปสะสมมาแล้วเวลานอนหลับถ้านับหลับไม่สนิทลนะ้วก็จะฝันขึ้นมาถ้าหลับสนิทมันก็จะไม่ฝัน ปวดขามากขึ้นเวลานั่งภาวนาสวดมนต์จะทนแต่ห่วงหัวเขา่าหรือเปลี่ยนท่าแต่ห่วงภาวนามีวิธีตัดสินใจแบบใช้ธรรมะไหมครับถ้าเราอยากจะละสังโยชน์เราก็ต้องปล่อยให้มันเป็นไปมันจะเป็นยังไงก็เป็นไปถ้ า, าอยากจะผ่านข้อสอบข้อนี้ละสังโยชน์คือสักกายทิฏฐิก็อบอกว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราของเราเป็นแค่คนรับใช้เรา มันถึงเวลาที่มันจะเจ็บจะตายก็ต้องปล่อยให้มันเจ็บนันตายไปกลบประทานโทษครับประสงค์ที่แอบสำเร็จความใกรด้วยตนเองถือว่ายังละสังโยชน์ไม่ได้ใช่ไหมครับก็ยังมีการมาลาคาอยู่มีเพื่อนบอกว่าไม่ควรอุทิศให้กับเจ้ากรรมนายเวรเพราะจะทำให้เจ้ากรรมนายเวรมีพลังมากขึ้นครับ มันเป็นเรื่องไร้สาระทั้งสองอย่างขั้นตก็คือเราไม่เ ร, ไมเราไม่อุทิศบุญให้กับเจ้า ก, กรรมนายเวรถ้าเราไม่รู้ว่าเป็นใครเราต้องรู้ว่าคนคนนี้ที่ตายไปนี่เขาเป็นเป็นคนที่มาคอยมาสร้างเวรสร้างกรรมให้กับเราอยู่เรื่อยๆแล้าอยากจะอ่แผ่เมตตาให้เขาอุทิศบุญให้เขาเผื่อเขาจะอลดลดการจองเวรจอง ก, กรรมแล้วก็ส่งไปแต่เขาจะรอบรับหรือไม่ก็อีกเรื่องหนึ่งส่วนที่ ส่งไปน่าจะทําให้เขามีพลังมากขึ้นนั่นมันไม่มันไม่ใช่หรอกก็ทําให้เขามีบุญที่เขาจะได้ทําให้จิตเขามีความสุขเพิ่มขึ้นแต่ไม่มีไม่มีที่จะมาทําอะไรกับเราได้แล้วเวลาที่เขาเป็นดวงวิญญาณไปแล้ว ค, คุณทธนรัตน์บอกว่ากราฟเรียนพระอาจารย์ครับหนังสือชีวประวัติของพระอาจารย์ที่ได้รับมาได้ส่งมอบให้กับท่านผู้อำนวยการโรงเรียน วัดโพธิธรรมาพร อ, อุทิศเมื่อวันเด็กเพื่อ น, นําเข้าห้องสมุดโ ร, รงเรียนไว้เพื่อเป็นประโยชน์ในทางธรรมต่อผู้ได้อ่านเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับกับขอบคุณพระอาจารย์นะครับสาธุคุณพิมพ์อวบอกว่าสิบแปดต้องทําอะไรบ้างครับอาจารย์อ่าไม่รู้เลยเนี่ยโตมางระดับ น, นี้ไม่รู้สิบแปดอะไรบ้างไม่อยากจะพูดอ่ะมันเหนื่อยเราไปค้นถามก o เกิลดูดีครับของเนื้หาค้านห า, นานได้ เดี๋ยวเปิดมือถือแล้เขียนเรื่องสิบแปดก็จะมงบอกว่ามีอะไรบ้างจะนั้นไม่เสียเวลาพูดกลับเรียนถามพระอาจารย์วิปัสสนาภาวนาและนั่งสมาธิเหมือนหรือต่างกันอย่างไรครับไม่เหมือนหรอเพราะว่าการนั่งสมาธินี้นั่งเพื่อจิตสงบการเจริญวิปัสสนาในเป็นการเจริญปัญญาดังไปคนละเรื่องกันสมาธิเป็นเหมือนการพักผ่อนจิต วิปัสนาเป็นการศึกษาจิตศึกษาเรื่องสิ่งที่จิตไปเกี่ยวข้องด้วยเช่นร่างกายว่าเป็นอะไรเป็นตัวเราหรือไม่อย่างไรเป็นต้นเรียก ว, ว่าวิปัสนาถ้าใส่บาตรครั้งเดียวแล้วตั้งจิตอุทิศให้คุณแม่ด้วยพร้อมทั้งแผ่เมตตาอุทิศให้เจ้ากรรมนายเวรด้วยไปพร้อมกันอย่างนี้ได้ไหมครับได้ แต่ต้องเป็นคนตาย น, นนะที่จะส่งเราจะสง่ะสงบุญไแม่ก็ได้คนเป็นนี้มันไม่เราไม่สามารถสง่งส่งบุญไม้ก็ได้แต่เราสามารถสง่งเงินแม่ก็ได้แทนครับพระนั่งตรงตลาดเพื่อรอรับบาตรอย่างนี้ผิดพระวินัยไหมครับมันไม่มีข้อห้ามเพียงแต่ว่ามันจะเหมาะสมหรือไม่เท่านั้นเองสมัยนี้อย่างนี้เคยได้บังว่าไม่มีคนอยู่ตามระเว้าบ้านเราออกไปทํางานแต่เช้ากัน ส่วนใหญ่จะใส่บาตรเขาก็ไปซื้อของที่ตลาดแล้วก็รอให้มีพาะเดินผ่านมาก็ก็ก็ใส่บาตรกับพระที่เดินผ่านมาที่ที่หน้าร้านขายของเนี่ยเนี่พก็รู้แล้วว่าไปตามเดินไปตามแล้วแวกว่าไม่มีใครใส่ถ้าอยากจะให้คนใส่ก็ต้องมาที่ตลาดท้านี้ก็เลยมาแต่ก็คนไม่คนที่จะนั่งเฉยๆนั่งรอคนจะเดินไปเดินมายัางจะสวยงามกว่า เดินมารอบแรกได้คนใส่บาตรสองสามครั้งยังไม่พอฉันก็เดินกลับมาอีกรอบหนึ่งแต่มี่ภาพแบบที่นั่งกัข้างร้านแม่ค้าเลยเนี่ยเป็นการเขาเรียกว่าเป็นการแลกเปลี่ยนอาหารให้เป็นปัจจัยให้เป็นเงินทองคือพอคนใส่บาตรเสร็จอาหารที่ท่านยังไม่ได้ฉันไม่นานอะไรก็ท่านก็มันกะขายให้แม่ค้าแม่ค้าก็ท่านก็แม่ค้าก็ให้ปัจจัยให้เงินทองกับท่านเป็น อันนี้ไม่ทำอย่างนี้ไม่ควรเพราะการเป็นธรรมบานนี้ไม่ได้เป็นธรรมบานเพื่อหาทรัพย์เป็นธรรมบานเพื่อหาอาหารเลี้ยงชีพแลพ้วพอพอได้พอประ ม, มาณแล้วก็ควรที่จะกลับบ้านได้คุณไอเดียบอกว่าพอภาวนาไปเรื่อยๆไม่กลัวตายกิเลสเบาลงครับอาจารย์ก็ข้องไม่ไปสุดว่ามันโคจรหรือเปล่าเราอยู่ในที่ปลอดภัยแล้วก็พูดได้ไม่กลัวตาย ไปอยู่ที่มืดๆที่มีเสือสิงสาราสัตว์ในของเสมบานจะเป็นไปก็ได้ข้ารวัวที่ถือศีลแปดที่บ้านสามารถที่จะใส่เครื่องประดับเล็กๆน้อยๆได้ไหมครับไม่ได้หรอกถ้าเป็นเพื่อความสวยงามนี้ไม่ได้เลยถ้าจะหาแฟนจะมีความรักอย่างไรให้ถูกต้องและไม่ถูกครับอาจารย์ ก็ต้องก็ต้องมีปัญญาเป็นอย่างแร้ว่าแฟนเราไม่เที่ยงไม่แน่นอนนะบางทีเขาอาจจะไม่ไม่ซื่อสัตย์กับเราหรือบางทีเขาอาจจะไม่รักเราตอนต้นเขาอาจจะรักเราแล้วพอได้เรามาลักขเข้าเบื่อเราขึ้นมาต้องต้องเตรียมรับกบความเปลี่ยนแปลงของคนได้เราควรจะได้ไม่ทุกเวลาที่เขาเปลี่ยนไปแต่ถ้าเรามีความคาดหวังมีความ ยึดมั่นเมืเราเขาจะต้องรับเราซสื่อสัก่อเราไปตลอดนี้อันนี้น่าน่ารู้จบจะต้องทุกข์อย่างแน่นอนเพราะคนเราไม่มีใครที่จะไม่เปลี่ยนเป็นมากเปลี่ยนน้อยใช่ที่ว่าเรายอมรับกับการเปลี่ยนของเขาได้เหรือไม่เวลาอยู่อุเบกขาเรายังต้องเจริญสติพุทโธพุทโธตลอดทั้งวันเหมือนเดิมหรือใช้ปัญหาพิจารณาเอาครับหรือทําทั้งสองอย่างครับ ก็อยู่ที่ว่าเรามีมีอุเบกขามากน้อยเพียงไรถ้ายังมีไม่มากพอเราก็ต้องพยายามเจริญสติไปก่อนอย่าปล่อยให้ใจคิดรุงแต่งถ้าคิดตุงแต่งไปทางกิเลสแล้วอุเบกขามันจะหายไปหมดพอเกิดความโลภความหลงขึ้นมาความโกรธขึ้นมาอุเบกขามันจะหายไปหมดเพราะเราต้องพยายามรักษาอุเบกขาให้มีไว่มากๆก่อนแล้วเราค่อยไปคิดทางปัญญาคิดเพื่อสอนใจให้ปล่อยวาง ร่างกายป่อยวางสิ่งต่างๆที่เป็นอนิจจ์ให้ได้เพื่อเราเวลาที่เราต้องแยกจยากแยกทางกับเขาไปเราจะได้ไม่เสียใจไม่ทูกใจพระสงฆ์ที่มีเพศสภาพไม่ตรงเพศสามารถที่จะบวชได้ไหมครับอันนี้ไม่น่าจะนะเพราะเราไม่ได้เป็นอุปรชาชต้องไปติดตากับพระอุปรชาชผู้ที่จะรับบวชพระท่านจะรู้ข้อ ข้อห้าข้ออะไรต่างๆละเอียดกว่ากับเรียนพระอาจารย์ครับใบโพล่าเป็นอาการของร่างกายหรือจิตใจครับระจิตใจร่างกาย ม, มีอาการอะไรต่างๆศีลห้าเพียงพอต่อการปฏิบัติละสังโยศ3ามพระโสดาบันหรือไม่ครับหรือทวนเป็นศีลแปดครับ ก็้าแต่ว่าเรามีอุเบกขามีสมาธิหรือยังถ้ามีแนละ้วเราเข้าฌานได้สินห้าก็ก็ได้สินแปดก็ได้ไม่ต่างกันแต่ถ้าเรายัางเข้าฌานไม่ได้เข้าสมาธิไม่ได้สินห้านี้จะไม่มีกําลังพอที่จะสนับสนุนต้องใช้สินแปดเพราะเราต้องละการเสพ ร, รูปเสียงกลิ่นรสต่างๆหลายคนที่เข้าฌานแล้วเขาก็จะไม่เสพ ร, รูปเสียงกลิ่นรสอยู่ดีเขาก็จะมีสินแปดอยู่ในใจเขาอยู่ดีเหมือนกัน คุณกัญญาบอกว่าหนูเคยตกน้ำเมื่ออยู่ในน้ำจะพยายามหายใจเหมือนจะขาดหายใจไปในน้ำแต่มีเพื่อนมาช่วยพอดีจึงรอดมาได้ความรู้สึกแบบนี้ตอนอยู่ในน้ำเป็นรู้สึกก่อนที่จะสิ้นลมหรือเปล่าในทางพระพุทธศาสนาได้กล่าวไว้หรือไม่ครับไม่ทราบเหมือนกันีมีสามีที่นิสัยเปลี่ยนไปในทางที่ไม่ดีครับเราจะต้องปรับตัวอย่างไรครับ ก็ทำใจไงยอมยอมรับความเจริงแล้วเราจะแลไม่ทุกอย่าไปยึดติดว่าเขาจะต้องเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เอาความจริงเขาไม่ได้เป็นอย่างที่เรายึดติดแล้วก็ เ, เป็นไปอีกอย่างแล้วเขาเป็นเหมือนเป็นคนหนึ่งแล้วคนที่เรารู้จักคนนั้นค่คิดเสียว่าเขาตายไปแล้วก็แล้กันคนที่เป็นคนใหม่มาซึ่งไม่ใช่เป็นสามีคนเดิมของเราถ้าเรายอมรับความเปลี่ยนแปลงหน้าเราก็จะไม่ทุกข์ แต่เราอยากให้ใหเขากลับไปเป็นเหมือนเดิมอย่างที่เราเคยรู้จักเขามาตอนที่เราลากันใหม่ๆเราก็จะทุกไปเรื่อยๆเพราะเขายังไม่ได้เป็นอย่างที่เราอยากได้เป็นอขอเมตตาครับศีลสิบ ถ, ถ้าไม่บวชชีควรมีแนวทางอย่างไรครับศีเสลๆนี่ก็เพิ่มเพิ่มเพิ่มอีกข้อนงจากศีลแปดก็คือการจับจับต้องเงินทางก็ยังเก็บเงินทางไว้ใช้เองได้อยู่ แค่นันเองงั้นก็แล้วแต่ว่าเราเราเราบวชในบวชชีในแบบไหนถ้าบวชีแบบชีวันนี้ก็ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องจับต้องเงินทองเพราะว่าอาศัยวัดเป็นที่อยอยู่ที่กินอยู่แล้วไม่ต้องมีเงินทองก็ได้หรถ้ามีก็เขาจะบังคับให้เอาเงินทองนี้เอาเข้าส่วนรวมไปให้ให้เป็นของวัดไปหรือไม่ใช่ก็ให้ฝากกับใครไว้ แต่ไม่ให้พบผ่าไม่ให้เก็บรักษาไว้เองไม่เอาไปใช้เองแต่ถ้าบัญชีบ้านครับวชแล้วยังไม่ไปอยู่วัดอันนี้ส่วนใหญ่ก็จะ ถ, ถือสินแต่แล้วก็จับต้องเงินทองกันอยู่เพราะยังต้องไปซื้อกับข้าวเองต้องไปทํากับข้าวเองต้องทำอะไรเองอยู่ทำอย่างไรครับคิดถึงลูกที่จากเราไปแล้วน้อยลงให้ลงให้น้อยลงได้ครับนั่งสมาธิใจก็แวบคิดถึงอยู่บ่อยๆครับ ก็มันเวลาคิดถึงก็ให้ท่องพุทโธพุทโธไว้ลบมันออกไปจากใจพอคิดถึงมุ่งก็พุทโธพุทโธไปจนกว่าความคิดถึงมุ่งหยุดไปแล้วก็หยุดพุทโธพอคิดอีกคั้งพุทโธใหม่พุทโธนี่เป็นเหมือนอย่างลบเวลาเราเขียนอะไรบนกระดานดำถ้าเรามีอย่างลบแล้วก็ลบมันไปนกระดานก็จะว่าใจเราก็เหมือนเหมือนกระดานพอคิดไปก็เหมือนเราเขียนอะไรบนกระดานของใจพอเราเอาพุทโธมาลบปั๊บ ส่งที่เราเขีนมันก็หายไปความคิดถึงลูกก็หายไปกลับเรียนถามพระอาจารย์ว่าคนเรามีดวงจิตดวงเดียวหรือว่าหลายดวงครับดวงเดียวแต่เป็นจิตที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาได้เหมือนนั่นกายนะมีร่างกายอันเดียวแต่ร่างกายก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาได้ตอนเป็นเด็กก็รูปร่างหน้าตายอย่างหนึ่งพอโตขึ้นเป็นหนุ่มก็รูปร่างหน้าตาอีกอย่างมันก็เปลี่ยนไปตามเหตุตามปัจจัยจิตหล้งก็บางวันก็สดใส สดชื่นแบบบ้านนอนก็เซมเศร้าเศร้ า, ามองแต่มันก็เปลี่ยนไปตามเหตุตามปัจจัยเหมือนกันแต่เป็นดวงเดียวกันรู้ลมอัตโนมัติทั้งวันกับอนันตริกาสมาธิคือตัวเดียวกันไหมครับอาจารย์ไม่รู้อันนี้อนันตริกาสมาธิมันด้อีกข้างแรกเนี่ยแล้วต้องขอไปด้วยไม่สามารถตอบได้ าชาตินี้เป็นโสดาบันแต่เกิดตายไปแล้วชาติหน้าเกิดมาความเป็นโสดาบันจะติดมาแปลว่าคนนั้นจะมีสี่ท่าบริบูรณ์มาตั้งแต่เกิดเลยใช่ไหมครับใช่สวดมนต์นั่งขัดสมาธิได้ไหมครับเพราะว่ามีอาการปวดขาครับอาจารย์ถ้าเราอยู่คนเดียวส่วดในในท่านไหนก็ได้แต่ถ้าเราสวดร่วมกับผู้อื่นก็ต้องอยูว่าดูวารยาของการสวดว่าเขา ให้นั่งพระเพียรหรือว่าให้นั่งขัดสมาธิแล้วแต่การบรรษักรพระอาจารย์ครับผมมีเรื่องสงสัยอยากขอความเมตตาพระอาจารย์ข้อที่หนึ่งครับการเลี้ยงแมวเลี้ยงแมลงเช่นด้วงหรือตั๊ ก, กแตนในพื้นที่จํากัดถือเป็นการบาปในข้อกัดขังดวงเหนียวหรือไม่ครับอรากัขังเพราะว่ไม่ใช่ถ้าเราถูกถ้าเราเป็นเข้าเรานัรูสึกยั ข้อที่สองครับแม้เราจะดูแลเรื่องอาหารอย่างดีให้กินใบไม้ผลไม้แต่การที่เขาไม่ได้ใช้ชีวิตตามธรรมชาติถือเป็นกรรมหรือไม่ครับก็ถือเป็นการทรมานเขาถ้าเราอยากจะไม่ทรมารท์เขาเราก็เปิดประตูให้เขาเข้าออกได้ตามอัธยาศัยแต่เขาอยากจะอยู่ก็อยู่เขาอยากจะไปก็ปล่อยเขาไปให้ความเป็นอิสระของเขา เรื่องเวรกรรมของแต่ละคนมีจริงไหมครับพระอาจารย์ก็มีเราทํากรรมอะไรไว้เราก็ต้องรับผลของกรรมนั้นเราไปทําร้ายผู้อื่เขาก็จะจองเวรจองกรรมเราถ้าถ้าชานี้เขาตามไม่ทันยังยังแก้แค้นไม่ได้ไปเจอกันชาติหน้าเขาก็จะมาล้ า, างแค้นต่อลูกชายกโกรธคุณยายไม่ยอมพูดคุยด้วย ควรสอนหรือปล่อยให้เขาคิดได้เองครับบอกเขาแล้วแต่เขาดื้อครับบอกแล้วก็รับกันไปทำมันดื้อก็จบการเรียนถามพระอาจารย์ถ้าเราพิจารณาสัจธรรมในโลกโดยที่เราไม่ต้องเริ่มจากการเข้าสมาธิสามารถทําได้ไหมครับได้แต่ไม่สามารถที่จะอะดับความทุกข์ได้ด้วยการคิดอย่างเดียว กลับขอคําแนะนาําพระอาจารย์ว่าผู้ปฏิบัติควรวางใจต่อความผิดพลาดจากการทํางานอย่างไรโดยไม่หลบหนีหน้าที่และไม่แบกทุกข์ไว้ในใจครับก็ยอมรับความจริงว่าไม่มีอะไรแน่นอนการทํางานก็ย่อมมีการผิดพลาดได้เสมอเราต้องรู้จักให้อภัยกันยอมรับความจริงถ้าเราผิดก็ยอมรับผิดไปถ้าก็จะไม่ให้อภัยจะลงโทษแบบก็ต้องยินดีนรับโทษนั้นไปมันก็มันก็จะไม่มีความทุกข์ พระอาจารย์ครับสะสมบุญด้วยการทําบุญทุกวันพระถ้าไม่ติดตุระทําทานบ้างบริจาคบ้างตามสมควรแก่เหตุได้บุญสะสมไหมครับตอนนี้อายุหกสิบห้าแล้วครับอาจารย์ได้บุญที่เราทําทุกอย่างนี่นสะสมอยู่ในใจเราไม่หายไปไหนมันจะมาส่งผลมาตอนที่เราหน้ากายเราตายไปแล้วตอนนั้นบุญที่เราสะสมไว้มันจะเริ่มทํางานเหมือนกับเราเหมือนเราท้าเวลาทํางานแล้วก็มีสะสมบุญไว้ในกองทุนใช่ไห ถ้าเราเสียนปั๊บเงินในกองทุนเ้าก็เบิกมาใช้ทันทีใช้ได้ทันทีบุญก็แบบนั้นนะตอนนี้เรายังทํางานอยู่เรายังมีชีวิตอยู่เรายังทํางานอยู่เรายังสะสมบุญได้แล้วก็เอาเอาบุญใส่เข้าไปในธนาคารบุญอยู่เรื่อยๆ เ, เพราะเรายังไม่ต้องใช้บุญนี้พอพอเราไม่มีร่างกายพอตายไปแล้วที่เราไม่สามารถหาความสุขให้กับร่างกายให้กับใจผ่านทางร่างกายได้ทีนี้เราก็ต้องอาศัยบุญนะ บุญที่เราได้าะสมไว้มาให้ความสุขกับเราบุญที่ทําไม่มีหายไปไหนเลยใช่ไหมครับอาจารย์อยู่แต่หมดไมหมดได้พอเราตายไปแล้วเราเริ่มใช้มันนะเช่นพอเราตายไปบุญที่เราได้สะสมมาเราก็จะเริ่มใช้มันราสายมันให้ความสุขกับเราเช่นไปอยู่สวรรค์กาใช้บุญที่น่ะเป็นเหมือนเป็นค่าเช่ใจโดยตัวการบวดบุญที่เราได้ทําไว้คือไม่บวชอะ พอบุญของเรากับบาปของเราทําไว้มั น, ม, นมันเท่ากันทีนี้บุญก็ไม่สามารถที่จะอะทำให้ความสุขของเราได้บาปก็ยังไม่สามารถให้ความทุกข์ของเราได้ช่วงนั้นเราก็จะมาอยู่ในช่วงที่จะมารอกเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ครับแล้วมาสร้างบุญสร้างบาปใหม่ทีหนึ่งมีเพื่อนคนหนึ่งครับบอกว่าเขาไม่เคยโกรธเลยครับคนที่ไม่โกรธเลยจะเป็นไปได้ไหมครับอาจารย์ ก็พระหลานเะนี่ยถ้าไม่โกรธเลยตอนนั้นยังไม่แน่ใจครับผมถ้าก็เป็นพระหลานก็อาจจะไม่ไม่กดธละก็ไดนะ้ถ้าเขาไม่กดแล้วก็แสดงว่าเขาคงจะเป็นพระหลานอยูตัวเราคือจิตหรือเปล่าครับเมื่อไม่มีร่างกายแล้วจิตยังเป็นจิตเดิมตลอดไปหรือเปล่าครับจะยังจําอดีตได้ไหมครับจิตก็ยังเป็นจิตอยู่เหมือนเดิมตัวเราเป็นเป็นเป็นตัวละครที่จิตสร้างขึ้นมา จิตนี้เป็นเหมือนนักเขียนละครนักเขียนนักเขียนนั้งสือแล้วก็สร้างตัวเราขึ้นมาเป็นตัวละครตัวหนึ่งในหนังสือของของจิตตัวจิตเองเป็นผู้รู้คือผู้คิดเนี่ยใช้ความคิดจินตนาการเล่รื่องต่างๆขึ้นมาชาติปัจจุบันนี้ที่คนเรามาเจอกันเราต้องติดอดีตมาแก้ชาตินี้หรือเปล่าครับ คือมันแล้มันเกิดเล้วก็มาแก้ปัญหาในชาตินี้ที่เรามาเจอกันส่วนใหญ่ปัญหาเรื่องปากทอ้องปัญหาเรื่องปความอยากเนื้อถ้ามาเจอาศาสนาพุทธก็ปัญหาเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยปัญหาใหญ่ที่สุดสำหรับพวกเราก็คือปัญหาการเวียนว่ายตายเกิดเราจะแก้ปัญหานี้ได้ก็ตาอมื่อมีพระพุทธศาสน า, ามาสอนวิธี ถ้าไม่มีพระพุทธศาสนาแล้วก็จะไม่รู้จักวิธีแก้ปัญหาของการเวียนว่าตายเกิดเราก็จะกลับมาเกิดอยู่เรื่อยๆกลัมาเกิดแล้วก็ตํามาเจอกับปัญหาของการเลี้นปากเล่้งท้องปัญหากับคนนั่นคนนี้นั่งนั่ง น, นั่งนี้ไปจนวันตายแล้วก็กลับมาเกิดใหม่อยู่เรื่อยๆ เ, เวลาที่เราใส่บาตรยืนใส่แล้วพระให้พรยืนรับพรผิดไหมครับไม่ผิดเนาะแล้วนะว่านะ อามกำลัเราไม่รู้นะของเราถ้าเรามีความเคารจะยืนจะยืนไม่จะนั่งก็ได้ตามความรู้สึกของตามความเข้าใจของเราเนถ้าเรามีความเคารพใครให้พรเราเขายืนดีถ้ายืนเราจะยืนก็ได้นั่งก็ได้แล้วแต่แล้วแต่อะไรความเหมาะสมก็เราไม่ไม่ทราบว่าจะพูดยังไง การถอยเพื่อรักษาชีวิตในกรณีที่ต้องอยู่ร่วมกับบิดาซึ่งมีอารมณ์รุนแรงและเบียดเบียนทั้งกายและใจจนจิตเต็มไปด้วยความกลัวความโกรธการเลือกถอยเพื่อความปลอดภัยและความสงบทางใจจะถือว่าอากตันยูต่อ บ, บิดาไหมครับไม่ใช่ว่าถอยไปไหนคือไม่ไม่ไม่ทะเลาะกับพ่อแม่กันดีต่างฝ่ายต่างอยู่กันไป แต่ไม่ควรปล่อยปละะเลยหน้าที่ของลูกถ้าพ่อแม่เกิดเจ็บไข้ได้ป่วยและไม่สามารถเ้ยงดูตัวเขาเองได้มันก็ต้องเป็นหน้าที่ของลูกที่จะต้องดูแลพ่อแม่ต่อไประหว่างที่นั่งสมาธินานชั่วโมงมีความคิดไปไหลบ้างสลับจิตที่สงบขอคำแนะนาจากพระอาจารย์ครับว่านั่งอย่างไรต่อให้ถูกต้องระหว่างสมถะกับวิปัสสนาครับ เาวนั่งสมาธินี้ไม่ไม่เกี่ยวกับวิปัสสนาเลยวิปัสสนาเนี่คนละเรื่องไม่ไม่ต้องไปสนใจนั่งสมาธิเพื่อหยุดความคิดเพียงอย่างเดียวอย่าปล่อยให้คิดจนกว่าเราจะชนานาญทําสมาธิแล้วเราค่อยไปทางวิปัสสนาตอนนั้นเราต้องใช้ความคิดศึกษาสิ่งที่เราเกี่ยวข้องด้วยเช่นราบนศสารเสริญและรูปเสียงเกิดวัต่างๆว่าเป็นตายรักเป็นอ น, นิจจังทุกขั ง, งอนัตตา แล้ก็มาพิจารณาศึกษาธรรมชาติของร่างกายของเราก็เป็นอานิสิตทุกครังก็ัดตามไกันเพื่อให้เราเตรียมตัวรับระบบความเปลี่ยนแปลงเวลาการเปลี่ยนแปลงและเวลาการสูญเสียเราจะได้ไม่เศร้าโศกเสียใจเจ้ากรรมนายเวรที่ยังมีชีวิตในชาตินี้เรากรวดน้ำไม่เขาช่วยได้ไหมคบอาจารย์ทามคนดูเนี่ยครับไปถามคนเลยครับ กดนะแล้วจะช่วยได้ไหมทั่ใหญ่ก็ต้องการของตอบแทนมากกว่าทางเขาคุณต้องการอะไรต้องการชีวิตเราหรือต้องการเงินเราอย่างที่มีข่าวๆวนี่ยเขาต่อรอกันย า, าวยากี่ล้านเจ้ากรรมายเวรของเรารไม่ใช่ไปกดนแวแล้วเขาจะให้อะเราก็ดีเลยข้อที่หนึ่งครับ ถ้าคิดในใจว่าพรุ่งนี้จะตื่นเช้ามาสวดมนต์นั่งสมาธิแต่สุดท้ายตื่นสายไม่ได้ลุกขึ้นมาสวดมนต์นั่งสมาธิแบบนี้ถือว่าผิดสัจจะหรือเปล่าครับก็อยู่ที่ว่าเราตั้งสัจจะหรือเปล่าเราคิดเฉยๆถ้าตอนนี้เราก็ต้องวงเลยว่าตอนนี้ยังไม่ได้ตั้งสัจจะนะคิดเฉยๆก็ไม่เป็นสัจจะอยู่ที่เราเราจะคิดว่าความคิดของเรานี้เป็นสัจจะหรือไม่มันอยู่ที่ตัวเราว่าเราตั้งสัจจะอันนี้ไว้หรือเปล่า ถ้าไม่ตั้งมันก็ไม่ตั้งมันก็ไม่ผิดสัจธาเพียงแต่คิดเฉยๆข้อที่สองครับถ้าทําแบบนี้บ่อยๆเป็นเหตุให้ในชีวิตเหมือนจะได้อะไรแล้วคาดเคลื่อนตลอดหรือมีปัญหาแก้ไม่ได้หรือเปล่าครับมันไม่เกี่ยวกันนะเหตุก็คือเราจะไม่สามารถตั้งใจทําอะไรให้มันสําเร็จได้เท่านั้นเองเพราะว่ า, าตั้งใจแล้วพอถึงเวลาก็ไม่ทำตามที่เราตั้งใจ บอกตั้งใจจะไปสมัครเรียนพอถึงเวลาก็ไม่ไปสมัครเรียนอย่างนี้เราก็จะไม่สามารถไปเรียนหนังสือได้เท่านั้นเองแต่ไม่เกี่ยวกันเรื่องอื่นนะลูกชายไม่คุยด้วยเนื่องจากความไม่เข้าใจครับคุณแม่ควรจะวางใจอย่างไรไม่ให้ถุกขับก็ใจเยน็นตอนนี้อารมณ์ก็เป็นอย่างนี้เดี๋ยวท้องท่าอารมณ์เขาก็เปลี่ยนไปเดี๋ยวเขาก็เลินไป แล้เดี๋ยวเขาต้องการความของความช่วยเหลือของจากแล้วเขาก็มาขอเราอยู่ดีเรื่องราวไม่ต้องไม่ต้องรีบรอนใจเย็นไปให้เขาอยู่ก่ออารมณ์ของเขาไปก่อนเดี๋ยวพออารมณ์ของเขาเปลี่ยนไปเขาก็ลืมเรื่องราวต่างๆไปโกรธกับคู่ครองทําให้เกิดความทุกข์แต่เราวางตัวเป็นอุเบกขาเพราะคิดว่าเป็นอนันตรจังเดี๋ยวก็หายได้ไหมครับนั่นแหละก็อย่างที่คําตอบเมื่อกี้เนี่ยแม่กับลูกมีกับแฟน แฟนกับแฟนก็เหมือนกันนะอยู่ด้วยกันต้องรู้จักใจเย็นๆอย่ารีร้อนเพื่อไม่ต้องมีการตอบโต้กันทันทีทันใดถ้าเห็นว่าการตอบโต้แล้วไม่เกิดประโยชน์แล้วเกิดความเสียหายขึ้ น, นก็เฉยๆกันดีกว่าเอาให้สง บ, บสติอารมณ์ไว้ก่อนให้อารมณ์ที่มันไม่ดีนี่หายไปก่อนคนเราที่มันเปลี่ยนไปได้นะพออารมณ์นี้เปลี่ยนไปก็เป็นอีกคนหนึ่งเลยแต่คนที่ก่อใช้ก่อเกิดการเป็นคนหน้าเริงเป็นคนมเมตตาก็ได้ นี่แะจิตที่เราเรียกว่าไม่เที่ยงจิตเราไม่เที่ยงก็อย่างนี้จิตใจเราไม่เที่ยงมันเปลี่ยนไปตามอารมณ์ตามเอตามัจจัยวิธีที่ดีสุดเวลาเจอจิตที่มีอารมณ์ก็เฉยๆไว้ดีกว่ามาให้จิตนั้นกลับมาเป็นปกติก่อนทําสมาธิจนเกิดอุเบกขาเป็นการเจริญมรรคครบถ้วนแล้วหรือไม่ครับ คืง <S 2> <S 2> องค์เดียวไงก็โอเบคานี่ก็เป็นสมาธิยังต้องเจริญปัญญาต้องเห็นอริยสัจสี่เห็นตายรักการทํางานของอริยสัจสี่ครับตายรักว่ามันเกี่ยวข้องกันอย่างไรขอความไม่ตาพระอาจารย์ครับเตรียมใจรับความตายอย่างสงบจะต้องทําอย่างไรครับไปทําสมาธิไงพยายามฝึกสมาธิบ่อยๆแล้วทำ ตามจิตให้สงบในการทำสมาธิได้เวลาตายแล้วก็ทำสมาธิไปใจเราก็จะสงบตายอยามม่างสงบชอบให้ทานแต่ไม่ชอบทำบุญใสต่ตู้ตามวัดควรทำอย่างไรครับทำอย่างไรก็ได้ตามที่เราชอบได้บุญเหมือนกันเป็นการให้เหมือนกัน นั่งสมาธิแล้วเป็นครึ่งชั่วโมงแต่ก็ยังไม่สงบมีอาการปวดขานั่งไม่ได้ควรปฏิบัติอย่างไรให้สงบครับควรเจริญสติให้มากก่อนที่จะมานั่งเราสามารถเจริญสติได้ทั้งวันเลพอลืมตาขึ้นมาแล้วก็เจริญสติด้วยการบริกรรมพุโทโธพุโทโธไปภายในใจเน้อคอยเฝ้าดูการเคลื่อนไหวต่างๆของร่างกายก็ได้อย่าปล่อยให้ใจคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้อยู่กับพุโทโธหรือให้อยู่การเฝ้า ด, ดูร่างกายไป มันจะมีสติมากขึ้นแล้วพอเวลามานั่งมันก็จะทำให้จิตสงบได้การใช้วิธีสแกนจ่ายเงินถือว่าไม่ได้จับต้องเงินทองในการรักษาสินสิธิ์ได้ไหมครับอันนี้ก็แล้วแต่จรตีความแล้วกลกันไม่ทราบเหมือนกันเพราะสบายนี้มันมันทุกอย่างมันเปลี่ยนไปหมดโดยหลักสำคัญก็คือไม่ให้เราครอบครองเงินทองไว้กับตัวไม่ให้ถือว่าเงินทองนั้นเป็นของเรา ให้มอบให้ผู้ตายคนหนึ่งเป็นผู้ที่เราเชื่อถือได้ไว้คอยดูแลให้ให้กับเราและเวลาเราต้องการอะไรก็สั่งให้เขาไปจัดการมาหาให้ให้กับเราไม่ให้เราไปซื้อตามร้านเองไม่ให้ไปซื้อของตามร้านด้วยตัวของเราเองอยากต้องการอะไรค่ดเลยขาดจีวอนก็บอกลูกศิษย์ว่าไปซื้อจีวอนให้เผื่อใช้ื้อบินตะบานมาไม่มีอาหารเลยช่วยเป็นสั่งอาหารมาให้หน่อยซื้อกับข้าวมาให้หน่อย ถ้าทำเองไม่ได้ของพวกนี้ต้องให้นักศึกษาเป็นค น, คนทําให้การที่เราอุทิศกุศลให้เจ้าที่บ้านที่เราอยู่อาศัยและเจ้าที่ที่เราทํางานแบบนี้เจ้าที่จะได้รับไหมครับแต่เราไม่รู้ว่าเจ้าที่ชื่ออะไรหรือมีจริงหรือไม่แต่เราเกล่าวที่ส่วนกุศลให้เจ้าที่บ้านเล็กที่ตําบลอำเภอจังหวัดแบบนี้ถูกไหมครับเ พ, เพื่อความสบายใจก็ทําไปเพราะเราไม่รู้มีจริงหรือไม่มีจริง ขอเล่นถามพระ อ, อาจารย์ครับพระสงฆ์ที่ไม่ได้โกนคิ้วไม่ผิดพระธรรมวินัยแต่สมควรกระทําไหมครับก็ทราบว่าทางพมากก่าเขาไม่โกนคิ้วเนี่ยพระสงฆ์นี้ก็อยู่ที่ธรรมเนียมของแต่ละประเทศว่าเขาเขาใช้กันอย่างไรก็ต้องปฏิบัติตามธรรมเนียมของประเทศที่เราไปอยู่ด้วยก็แล้วกันถ้ า, าอยู่เมืองไทยเขเราโกนคิ้วแล้วก็ควรจะโกนคิ้วตามเข้าไป แต่ถ้าไปอยู่พม่าแล้วเขาไม่โกนเชื้อเราก็อย่าไปโกนชื้อเดี๋ยวจะไปผิดธรรมเนียมของเขาการเลี้ยงดูลูกส่งให้เรียนหนังสือถือเป็นบุญหรือหน้าที่ครับมันก็เป็นบุญด้วยแล้วก็เป็นหน้าที่ด้วยเลี้ยงดูลูกมันก็เป็นมงคลอย่างหนึง่ง เมื่อมีทุกข์มากจนแทบจะรับไม่ได้จะมีวิธีสร้างแรงใจอย่างไรให้ใจมีพลังครับพลังของใจงก็อยู่ที่สมาธิเนี่ยวิยายาฝึกสมาธิให้มากๆแล้วจิตสงบแล้วจิตจะเป็นเหมือนก้อนหินแข็งแกร่งไม่อ่อนไหวกับอารมณ์ต่างๆที่เราไม่มีกำลังใจเพราะเราถูกอารมณ์ต่างๆถาถมเข้ามายางไงถ้าเรารับไม่ไหว ถ้าเรามีสมาธิล้วใจอาจจะสามารถรับกาอนโมทิตาต่างได้อย่างสบายเพราะฉันฝึกสมาธิให้มากๆหนูเป็นม่ายมาหลายปีแล้วได้คําสอนและแนวปฏิบัติของพระอาจารย์เป็นดังขอนไม้ให้ข้ามความทุกข์ไปทําให้หนูปัจจุบันสุขใจในชีวิตสันโดษมากแต่เมื่อไม่นานมีคนมาชอบและเป็นคนที่มีพร้อมในทางวัตถุ หนูแอบคิดว่าชีวิตเราอาจจะสบายขึ้นแต่เพียงวันเดียวหนูก็เห็นรูปความทุกข์ที่อาจจะมารออยู่ข้างหน้าจึงตื่นจากอารมบนั้นแต่เป็นเพราะหนูยังปัญญาไม่แข็งแรงใช่ไหมครับต้องฝึกอสุภะใช่ไหมครับอาจารย์อสุภะด้วยแนละ้ว่เจพิจารณาความไม่เที่ยงแท้แ น, น่นอนของคนเราด้วยคนเราดีวันนี้เพื่อนี้อาจจะกลายเป็นอีกอย่างหนึ่งก็ได้วันทีเขาดีเพื่อมาล่อใจเราพอเขาได้เราไปแล้วเ้ากลายเป็นกลายเป็นอีกคนหนึ่งก็ได้ งั้นทางทางโบราณก็าจะนิยมว่าก่อนจะอยู่ร่วมกันก็มั่นกันไว้ก่อนเขาะจะได้ศึกษาดูนิสัยใจคอว่าเป็นยังไงก่อนจะดีกว่าแต่ถ้าดูสุภาพได้นะ ด, ด, ดีดีที่สุดจะได้ไม่ต้องไม่ต้องมีคู่ถ้าไปพิจารณาว่าเขาอาจจะเป็นไม่ดีเราก็ยังอาจจะไม่แน่ใจแล้วก็าอาจจะดีก็ได้นะงนี้มันก็อาจจะทําให้เรายังไปหลงรักเขาได้อยู่แต่ถ้าเห็นเขาเป็นอัสุภาพเราก็จบเลย อยู่คนเดียวดีกว่าครับปล่อยวางไม่ได้ครับสามีตายจากไปปีแล้วนอนไม่หลับครับอาจารย์ทำสมาธิฝึกสมาธิบ่อยๆอย่าไปคิดถึงเขาเวลาคิดถึงเขาก็ท่องพุโทโธพุทโธไปทานอุเบกขาถ้ามีอุเบกขา้ใจจะเฉยมันจะไม่วุ่นวายไม่เดือดร้อนกับการไปการมาของใครทั้งสิ้น กับเรียนถามพระอาจารย์ครับทําต้องดูแลแม่สามีที่จิตใจไม่ดีมีซึมเศร้าคิดกลัวตายคิดไปทั่วอยู่ด้วยปวดหัวเราควรทําอย่างไรดีลูกพยายามเปิดทําให้ฟังแต่จิตแม่ไม่รับเลยครับก็อย่าไปบังคับเขาปล่อยเขาไปตามอารมณ์ของเขาเองก็เฉยๆไปดูไปเฉยๆสักแต่ว่ารู้ไปไม่ต้องไปอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ ไปปฏิบัติธรรมมาแล้วอยากจะทําบุญถวายปัจจัยให้พระผ่านการโอนเงินให้ศูนย์ปฏิบัติและฝากให้เงินต่ออย่างนี้ผิดไหมครับก็ถามศูนย์ว่าเราทาได้ไหรือไม่การทําพิธีขอขมาการรมช่วยให้ชีวิตเราดีขึ้นจริงไหมครับอาจารย์การขอขอมากนี้เป็นการแสดงว่าเร า, เรายอมรับผิดของการกระทำของเราแล้วเราจะพยายามไม่ทําอีกต่อไปเท่านั้นเอง เป็นการแสดงความรับผิดชอบว่าเราทำผิดแล้วแล้วจะขออภัยชนผู้ที่จะให้อภัยนั้นเขาจะให้อภัยหร้อไม่เราไปบังคับเขาไม่ได้การแผ่เมตตาให้กับคนที่คิดไม่ดีกับเราจะช่วยให้การมีเวรกรรมต่อการลดลงไหมครับลดลงเช่นเขาไม่ดีกับเราเราก็ซื้อขนอมมาให้เขาติ้นอยู่เรื่อยๆหรือก็เขาก็หายโกรธเองเอาชนะใจเขาไม่ได้ ด้วยการทําความดีต่างๆให้กับเขาพระอาจารย์คิดอย่างไรกับการกินเจครับช่วยตัดกรรมได้ไหมครับไม่ได้หรอกการกินเจไม่ได้เป็นเป็นกรรมแบบกลางๆไม่เป็นบุญไม่เป็นบาปการรัประทานอาหารนี่ไม่เป็นบุญเป็นบาปา น, าปานาาัป้ น, นาการคเความเจียก็ตัดไม่ได้อยู่แล้วเพียงแต่ไม่ไม่ไปสร้างกรรมใหม่เท่านั้นเองถ้ากินเจมัน มันก็ไม่ได้เป็นการไปไปไปทำกรรมใหม่แล้วไม่ไม่ทำกรรมใหม่เพราะว่าสิ่งที่เรากินมันมล น, มนมของตายนะครับถือว่าจะกินเนื้อสัตว์มันก็ไม่ได้เป็นการสร้างกรรมขึ้นมาใหม่ถ้าเนื้อสัตว์นั้นเราไม่เป็นคนฆ่าเองของที่มันตายแล้วเราไปซื้อมากินนี้ก็ไม่ไม่เป็นการสร้างเวสร้างกรรมให้กับใคร เราเห็นพ่อแม่เราแก่ลงทุกวันเราจะทําอะไรที่เป็นประโยชน์ให้ท่านอาทิบวชให้ท่านดีไหมครับก็อยู่ที่ว่าทางบ้านมีความเชื่อหรือเปล่าถ้ามีความเชื่อว่าลูกบวชแล้วพ่อแม่จะได้เกาะชายพระเหงไปสวรรค์ก็บวชให้ท่านได้ถ้าท่านต้องการให้บวชนะสิ่งที่สําคัญกว่านั้นก็คือเลี้ยงดูท่านให้ดีในขณะที่ท่านยังมีชีวิตอยู่จะดีกว่า ทำบุญกับสัตว์กับคนจะได้อนิสงส์ต่างกันไหมครับการให้ถ้าเป็นปริมาณเท่ากันก็ได้อนิสงส์เท่ากันแต่ประโยชน์ทําบุญกับคนกอบทําบุญกับสัตว์นี้ประโยชน์ต่างกันทําบุญกับคนคนทำประโยชน์ได้มากกว่าสัตว์เน่ยยกไ้ว่าเป็ยกว่าสัตว์นี้เป็นสัตว์ที่ทําประโยชน์ได้มากกว่าคนก็มีบางอย่างสัตว์บางตัวอาจจะมีทําประโยชน์ได้มากกว่าคนก็มี มักแปดครบข้อใดก่อนก็ได้ถึงจุดหมายเหมือนกันศีลสมาธิปัญญาครบจบพร้อมกันมันก็เหมือนรถยนต์รถยนต์มันก็ต้องมีล้อมีเครื่องยนต์มีพวงมาลัยมันก็เหมือนกันมันต้องไปด้วยกันมันทางานพร้อมกันไปทำอย่างไรให้ชาติหน้าเกิดมาเป็นคนฉลาดครับก็ขยันเรียนหนังสือบ่อยๆขยันค้นหาความรู้อยู่เรื่อยๆ ขยนคิดศึกษาอยู่เรื่อยฝ่ายลูกฝ่ายศึกษารู้สึกว่าพ่อแม่ทําลายความรู้สึกเราอยู่บ่อยเป็นเพราะกรรมหรือเปล่าครับจะแก้ไขได้ยังไงครับรู้สึกว่ายอมรับไม่ได้ไม่มีความสุขควรใช้ธรรมะเรื่องไหนครับน่าอาจจะเป็นความรู้สึกของเราก็ได้นะพ่อแม่เขาอาจจะไม่มีเจตนาที่จะทําทําอะไรกับเรา พ่อแม่ส่วนใหญ่เขาจะรักเรายิ่งมารักตัวเขาเห็องจะได้ซ้าไปไม่คนจะคิดไม่ดีกับพ่อแม่มันจะปรับความเข้าใจใหม่ว่าพ่อแม่อาจจะไม่ไม่ได้มีความตั้งใจที่จะทําทําลายเราแต่อย่างใดเพราะแม่ทุกคนรักลูกอยากจะให้ลูกได้เดีได้ดีทั้งนั้นการไม่อยากใส่บาตพระสงฆ์ที่ทําผิดวินัยถือว่าเป็นบาปหรือว่าทําผิดไหมครับ ไม่ผิดหรอกเวลาทําะเวลาทําบุญแล้วก็ต้องเลือกเลือกเลือกคนเหมือนใจถ้าเราไปทําบุญกับโจแล้วก็ถ้าเราสนับสนุนโจรให้ไปทักความชั่อไปทําทำทร้ายผืนได้เราก็ต้องดูคนที่เราสนับสนุนว่าเขาเป็นคนดีและไม่ดีถ้าสนับสนุนคนไม่ดีก็ส่งเสริมให้เขาไปทาความไม่ดีต่อ เขาเป็นหุ้นส่วนร่วม ง, งานกับเราคิดไม่ดีกับเรานินทาเราเราจะวางใจอย่างไรครับเราห้ามก็ไม่ได้ให้ อ, อย่างนี้ปล่อยเขาว่าไปนินทาไปเราห้ามก็ไม่ได้การสวดมนต์จะทําให้เข้าถึงสมาธิเหมือนกับการบริกรรมพุทโธได้หรือไม่ครับได้ไม่ไม่เลิศเท่ากับพุทโธพุทโธนี้เข้าถึงฌานสีได้เลย ได้อปปนาสมาธิส่วนบนนี้อาจจะได้แค่ช่วงช่วงอาจจะเป็นวิวตกวิจาร์อาจจะเป็นชาชั้นที่หนึ่งก็ได้เราไม่มีลูกบ้านปลายชีวิตต้องทำอย่างไรครับก็เขียนวนยกรรมมอบงานนี้ให้กับองค์กรใดที่เรามีศรัทธาก็จบ น้องสาวเสียชีวิตไปหลายเดือนแล้วครับทำอย่างไรถึงจะหายคิดถึงเขาได้ครับก็อย่าไปคิดถึงนเขาเลยแค่ยึดเวลาคิดถึงเขาให้คิดพุดโทโธพุโทโธแทนเราทำอุเบกขาให้มากขึ้นได้อย่างไรครับเพราะนี่แหละใช้พุโทโธพุโทโธนั่งสมาธิ คุณแม่จําอะไรไม่ได้ให้คนอื่นดูแลเพราะลูกอยู่ไกลเราจะมีกรรมหรือไม่ครับแต่แต่ค่าดูแลแม่เป็นคนออกนะครับก็ก็ยังถือว่าเราดูแลพะอพ่พอแม่อยู่เพียงแต่ว่าเราไม่สามารถไปอยู่ที่ใกล้ตัวท่านไดน้แต่เราก็ไม่ท้อทิ้งนะที่ด้วยการจ้างให้พูดอืนมาดูแลแทนเราคําถามนี้บอกว่าเมื่อมีพลังงานแฝงอยู่ในร่างกายจะทําอย่างไรให้หายครับ ไม่มีเรพลังงานแสงก็มีแต่กิเลสเท่านั้นในใจเราก็มีกิเลสมีกัดมีธรรมสองพลังงานที่ต่อสู้กันถ้าเรามีธรรมมากมีพลังธรรมมากจิตเราก็จะสงบทุกข์น้อยถ้ามีพลังธรรมน้อยจิตเราก็จะวุ่นวายมีทุกข์มากเน้นพยายามสร้างพลังธรรมให้มากขึ้นพลังธรรมก็เกิดจากการฝึกสมาธิและคิดทางปัญญาเนี้ ลูกเขาให้เราไปยืมเงินให้ให้พอเราไปยืมให้แล้วพอจะใช้คืนเขากับตายจากเราไปถือว่าลูกเรามาทวงหนี้เก่าใช่ไหมครับไม่ใช่ทวงหนี้ไรกตายไปศีล ส, สมาธิปัญญาเท่าเทียมกันครบจบที่เดียวกันนะครับอาจารย์ ก็เป็นวิชาสามวิชาไงตายสิกขาสิกขาว่ารมีชาเป็นความรู้สามระดับด้วยกานที่เราจะต้องรู้และปฏิบัติให้ได้สีก็คือละเว้นการทําบาปสมาธิก็ทําใจให้งห่ายง่ายสงบปัญญาก็ต้องฉลาดให้เห็นตายละเห็นอนิยสัตสจะมีวิธีทําใจอย่างไรถ้าต้องทํางานกับคนที่ไม่ชอบเราครับอาาร ก็ก็คิดว่าเราอยู่กับอากาศเท่ากันดิฟ้าอากาศบางทีเราก็เจออากาศน้อนแเราก็ต้องทาใจอยู่กับมันไปอย่าไปอยากให้มันเปลี่ยนเพราะเราเปลี่ยนเขาไม่ได้เขาปล่อยเขาเป็นไปเราก็อยู่กัเขาไปทำใจเฉยๆไปหากอุเบกขาในทุกๆเรื่องแนละตัด ไม่ผูกติดใจกับใครและละกิเลสละลึกไว้เรื่อยๆอย่างนี้จะไปนิพพานได้ไหมครับทดลองทําลยนี่ยอยากขอคำแนะนำครับผมทนฝืนไม่ทำตามความอยากไม่ทำตามกิเลสตนเองพอฝืนแล้วทุกข์ใจมากไม่ให้ไหลไปกับความเคยชินทำได้บ้างไม่ได้บ้างครับเพราะการาเบคา ถ้าเรา ม, มีโอเบก้าเราจะไม่ค่อรู้สึกเดือนร้อนเวลาที่เราฝืนกิเลสใจเราจะเย็นใจเราจะสงบการพยายามฝึกสตินั่งสมาธิให้มีโอเมก้าเราจะฝืนความอยากต่ตางๆได้ระหว่างภาวนาสั่งธรรมะกับนั่งสมาธิทำสิ่งไหนที่จะได้บุญสูงสุดครับพ้องทำทั้งหมดบางท่นต้องฟังทมก่อน เราจะได้รู้จักวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องเมื่อเราวิธีนั่งสมาธิถูกต้องเราก็ต้องมานั่งสมาธิต่อผมเคยพาผู้หญิงออกมาจากพ่อแม่เขาปัจจุบันญาติทางแฟนที่เสียชีวิตไปก็แยกลูกของออกจากเรามันคือเวรกรรมใช่ไหมครับจ่ว่าอย่างนั้นก็ได้ขณะที่ท่องพุทโธอยู่ จำเป็นหรือไม่ครับที่จะต้องดูลมหายใจครับไม่จําเป็นนะจะดูลมด้วยก็ได้ที่เไม่ต้องไม่ดองดูลมก็ได้ทำอย่างเดียวก็ได้อย่างได้อย่างหนึ่งก็ได้ไม่ทั้งพุโทโธดูลมอย่างเดียวก็ได้กราบพระมากกว่าสามครั้งครั้งที่สี่ห้าหกนึกว่าได้กราบแทบเท้าครูบาอาจารย์ที่นับถืออย่างนี้เป็นการปรุงแต่งไหมครับไม่หรอกก็เป็นการเพิ่มการกร า, าบให้มากขึ้นได้ เขาลบใครแล้วแล้วแล้วกลับเพิ่มขึ้นไปกลับพ่อแม่ต่อก็ได้การฟังพระวินัยปิดกเสียงอ่านอย่างนี้ได้บุญไหมครับถ้าใจสงบก็ได้บุญเวลาขับรถฟังอะไรดีครับถึงจะได้บุญแล้วจะได้บุญจริงไหมครับไม่ควรฟังเลยคผมมีสติอยู่การขับรถอย่างเดียวจะดีกว่า หนูมีพี่น้องแปดคนดูแลแม่จนถึงวาระสุดท้ายแต่พี่ที่ไม่ดูแลแม่ให้ร้ายเราควรทําอย่างไรครับเฉยๆไปเขาจะพูดไงเขาเรื่องของเขความจริงมันไม่ได้เป็นอย่างที่เขาว่าเขาไม่ต้องหยาดหนอนถ้าเป็นความจริงเราก็ต้องหยาดหนอว่ามันก็เป็นความบกพร่องของเราไปานั่นเองเราไปห้ามใครเขาพูดอะไรไม่ได้หรอกอย่าไปสนใจ การที่เราไปทําบุญฟั่งเทศนั่งสมาธิถวายปัจจัยรู้สึกดีสบายใจแต่ทําไมถึงอยากร้องไห้แล้วร้องออกมาไม่มีสาเหตุเกิดจากอะไรครับทําไมถึงรู้สึกแบบนั้นครับทั้งที่สบายใจมากครับเป็นความซาบซึ้งใจเงาปิติอย่างหนึ่งเวลาทําแล้วมันซาบซึ้งใจมันก็ขนลุกมาเริ่สึกเริ่มปิติขึ้นมาน้ําตาไหลออกมาบ้าง พ ย, ยายามไม่กโกรธเวลาคิดถึงเรื่องอดีตกรรมที่พ่อแม่ว่าลูกมีจิตใจไม่ปกติครับแต่ก็ทนไม่ไหวรู้สึกว่าใจภายในมันพังมากครับมีธรรมะอะไรที่ช่วยความรู้สึกนี้ไหมครับก็หยุดคิดเสียใช้คำิกาคำพุทโธหยุดมันถ้าพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆเดี๋ยวความคิดนั้นก็หายไปอาการต่างๆก็จะหายไปถ้ามีคนเอาเปรียบเราควรจะต้องทำอย่างไรครับ คิดว่าทำบุญให้เข้าไปกันแล้วกันหรือใช้นี่เก่าไปอาจาจะเคยไปเอาเปรียบเขามาก่อนทานนี้ก็เลยกลับมาถวนี่เก่าไปต้องนั่งสมาธิจนตกหลุมถึงจะนับเป็นชาตหนึ่งใช่ไหมครับอาจารย์ถ้าตกหลุมเนี่อาจจะเป็นชาติสี่แล้วก็ได้ถ้ามีสติอยู่กับพุโทโธพุโทโธนี้ก็ถือว่าเริ่มเข้าสู่ชาตหนึ่งแล้วถ้าไม่ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ การฟังเทพได้บุญจริงหรือครับได้มีประโยชน์ห้าประการด้วยกันคือหนึ่งได้ยินได้ฟังธรรมที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนสธรรมที่เราเคยได้ยินได้ฟังแล้วพอได้ฟังซ้ำเนี่ก็จะเกิดความเข้าใจดีขึ้นไปตามลาดับสามจะกำจัดความสงสัยต่างๆให้หมดสิ้นไปได้สี่จะทำให้จิตมีความสงบผ่องใสห้าจะทาให้มีสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบคือปัญญา นี่ประโยชน์ถ้าประการลด้วยกันที่เราเรียกว่าบุญผลประโยชน์เพราะมันจะทําให้จิตใจเรามีความสุขมีความฉลาดเพิ่มพมากขึ้นอย่างนี้ทุกคนที่ฟังตอนนี้ได้บุญหมดเลยใช่ไหมครับอาจารย์ถ้าฟังด้วยสตินะถ้าฟังไปแล้วก็นั่งทําอย่างอื่นไปก็อาจจะไม่ได้นะครับคือการฟังทำที่ได้ประโยชน์มากที่สุดก็ต้องฟังด้วยกายวาจาใจที่สงบ คือกกายก็ไม่ทําอะไรไม่ขับรถไม่ทำนั่งถ่วยรั่งเช้ า, ชาไม่กินข้าวไม่อะไรทั้งสิ้นตั้งใจฟังอย่างเดียวแลว้วก็วาจาก็ไม่นั่งพูดคุยกับคนนั้นคนนี้ใจก็ไม่ไปคิดถึงเรื่องๆๆๆนั้นเรื่องนี้คิดอยู่กับเรื่องทํามที่เราได้ยินได้ฟังอยู่ในขณะนี้เพียงอย่างเดียวถ้าทําอย่างนี้ก็จะได้ประโยชน์ทั้งห้าประการได้ ภาวนาพุโทโธแล้วรู้สึกเย็นสบายเหมือนได้เกิดใหม่มีความสุขมากๆแต่พอออกจากสมาธินั้นความสุขนั้นอยู่ได้ไม่นานเกิดจากอะไรครับเพราะเราหยุดพุโทโธแล้วปล่อยให้จิตเราเริ่มคิดเขาเริ่มคิดกิเลกก็เริ่มออกมาทํางานกิเลสเป็นของเรา่องมันก็ทําให้ความเย็นของสมาธิหายไปดังนั้นเวลาออกจากสมาธิมาแล้วเร า, าต้องควบคุมความคิดต่อไปอย่าปล่อยให้คิด ออกมาก็ยังต้องบริกรรมพุโทโธพุโทโธต่อไปอยู่แล้วเราก็จะสามารถรักษาความเย็นของใจนี้เราได้จากสมาธิให้คงอยู่ต่อไปได้ขณะนั่งสมาธิต้องท่องพุโทโธพุโทโธใช่ไหมครับถ้า ม, มันต้องมันต้องมีต้องทําอะไรอย่างไรอย่างหนึง่งไม่ให้นั่งเฉยเฉถ้านั่งเฉยเฉแล้วเราจะหยุดความคิดได้ได้มันต้องการหยุดความคิดแล้วต้องมีอะไรให้จิตทํา ถ้าผูกจิตไว้กับพุโทโธก็ท่องพุโทโธไปถ้าผูกจิตไว้กับลมหายใจก็ดูลมหายใจไปอารมณ์หลังนี้เรียกว่าเราเรียกว่ากรรมฐานเป็นที่ผูกจิตให้ไม่ให้ไหลไปกับความคิดให้เวลานั่งสมาธิจิตเราต้องมีกรรมฐานเราต้องผูกจิตของเราให้อยู่กับกรรมฐานกรรมฐานใดกรรมฐานหนึ่ง ทำสมาธิแบบหายใจเข้าพุทหายใจออกโทรหรือบริกรรมแบบไหนจะดีกว่ากันครับต้องลองดูแต่ใจแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนชอบพุทโทอย่างเดียวบางคนชอบดรลมอย่างเดียวบางคนชอบทั้งสองอย่างผสมกันก็เหมือนอาหารอย่างที่เราไปกินบางคนก็ชอบร้านอาหารพิซซ่าเนี่ยบางคนก็ชอบรถอย่างหนึ่งอีกคนก็ชอบอีอย่างหนึ่งบางคนก็ชอบสองอย่างก็มาปุทานเดียวก็ขอให้ไปทั้งสองรถก็มีใช่หมใช่ครับ แบบเดียวกันนะกรรมฐานนี่ก็เป็นเหมือนเหมือนอาหารของใจเลวลาเรากินอาหารของใจเวลานั่งสมาธิเราก็กินอาหารของใจคือกรรมฐานนี่พอใจสงบก็ถือว่าเรากินอิ่มมีคํากล่าวว่าทําบุญกับพ่อแม่ได้บุญมากกว่าพระ อ, อรหันต์เป็นข้อเท็จจริงอย่างไรครับเท่ากันถือว่าบุญคนของพ่อแม่นี้เทียบเท่ากับบุญคนของพระ อ, อรหรันต์ การพิจารณาอาการ32สามารถพิจารณาได้ทุกขณะหรือว่าต้องภาวนาให้จนจิตมีสมาธิขั้นอั ป, ปนาสมาธิแล้วค่อยออกจากสมาธิมาพิจารณาอาการ32หรือเปล่าครับเพราะว่าไม่มีกําลังสมาธิครับท่วนปถ้าไม่มีสมาธิจะพิจารณาได้ไม่ไมไมนานพออาจจะพิจารณาได้รอบหนึ่งแล้วก็เลิกไปก็ได้แต่ถ้ามีสมาธินี่เราสามารถพิจารณาได้หลายๆรอบทิ้งที่เราต้องการก็คือพิจารณาจนกระทั่งเราจดจําได้ เวลาเรามองเห็นร่างกายเราต้องคิดถึงอาการ32ขึ้นมาทันทีเลยเห็นร่างกายของใครก็เห็นนะผมขนนี่ฟั น, น, น, นหนังนนกระดูกทะลุเข้าไปเหมือนเหมือนฉายแสงเอ็กซเร์เลยไม่ต้องไปเข้าเครื่อง m อมให้เสียเวลาเปาๆเรามีเครื่องเอมอย่างดีอยู่แล้วอยู่ในอยู่ในใจของเราเนี่ยพยายามพิจารณา32ไว้เรื่อยๆต่อไปมันจะมองทะลุเข้าไปใต้ผิวหนังเลยใต้หนังก็มีเนื้อมีเอ็นมีกระดูก มีมามีปอดมีตับมีตตมีหัวใจมีหลําไส้มีหันใหม่หานเก่ายมันจะถ้าท่องบ่อยๆมันจะมันจะมามา ท, ทันทีเลยอานิสงการตักบาตรสวดมนต์นั่งสมาธิคืออะไรครับการสวดมนต์การตักบาตรก็เป็นการทําทานอานิสงของการทําบุญทําทานก็ได้บุญ ท, ที่จะส่งเราไปสวรรค์ แล้วมีอะไรกับทางเทศทางธรรมนะครับนักงสมาธิครับนั่สมาธิก็จะส่งให้เราไปสู่สวรรค์ชั้นพรมสี่ข้อกาเมห้ามแอบรักคนมีเจ้าของไหมครับห้ามน่วมเพ่กับคนที่เขาไม่ใช่เป็นสามีหรือภรรยาของเราคู่ครองของเรา ในทุกๆวันจะระลึกถึงเจดีพุทธคยาพระพุทธเมตตาบ่อยๆเหมือนภาพติดตาอย่างนี้เป็นจินตนาการหรือว่าเป็นนิมิตครับก็เป็นความคิดจะเรียกอะไรก็ได้มันก็เป็นความนึกคิดนนั่งสมาธิก่อนนอนตื่นตีสองและหกโมงเช้าอย่างนี้นั่งเยอะไปไหมครับไม่เยอะหรอกนั่งให้มากเท่าไรได้ยิ่งดีสมาธิไม่มีพินม่ีภต่อจิตใจ ทำไมผมถึงรู้สึกอยากบวชครับมีศรัทธานรอการปฏิบัติจนได้ฌานสี่เป็นสิ่งที่ดีหรือไม่ครับดีมากคนเดีตั้งเป้าไว้เป็นการปฏิบัติเบื้องต้นก็นให้เข้าฌานสี่ให้ได้ก่อนแล้วค่อยไปทางปัญญาต่อไปถ้าจิตยังไม่เป็นสมาธิถึงขั้นฌานจะทำวิปัสสนาได้ไหมครับ ทำได้แต่ไม่มีกาลังที่จะหยุดความอยากได้ตัดอุปทานความยึดบ้านถึงบ้านยังไม่ได้ไม่มีกําลังพอเขาการเบียนถามครับพระอาจารย์นับถือพระพุทธศาสนาเราสามารถไหวบูชาองค์ที่ต่างศาสนาได้ไหมครับเช่นพระพิฆเนศพระศิวะแบบนี้จะผิดหรือไม่ครับคือการไหวเพื่อแสดงความเคารพนิ่งไหวใครก็ได้ เรายัางต้องไหว้พ่อวแม่าหครูที่โรงเรียนอยู่เป็นการแสดงความเคารพแต่ถ้าไหว้เพื่อให้เขาสั่งสอนเราไนี่ไม่ควรคือเราเราถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นอาจารย์ของเราเพียงเ<ส>พียงคู่เดียวกลุ่มเดียวเท่า น, นั้นเองเราไม่เราจะไม่ฟังคำสอนของเขแต่ฟังได้ถ้าคำสอนของเขาไม่ขัดกับหลักธรรมของพระพุทธเจนะ้าศึกษาได้เช่นเราไปโรงเรียนเราก็ต้องเรียนวิชาต่าง พิชาต่างๆเหลนี้ก็ไม่ขัดกำลักธรรมําสอยของพระเจ้าแล้วเราก็เรียนได้นับถือเทพินดูรู้สึกมีบุญสัมพันธ์กับท่านยังจัดว่าเราประพฤติตนอยู่ในกรอพบพระพุทธศาสนาชนไหมครับอันนีก้ก็ท้าพุทธาสนาชนก็ไม่นับถือสาสนาอื่นนับถือแต่พระพบทุทธธรรมพระสงฆ์ไปอย่างเดียวจะดีกว่า การที่เราไม่มีหิ้งพระอยู่ในบ้านแต่เรามีพระอยู่ในใจอย่างนี้ผิดไหมครับไม่ผิดหรอนั่งสมาธิวันละห้านาทีอย่างนี้ได้บุญไหมครับก็ได้แค่ห้านาทีบุญห้านาทีพระอาจารย์มีวิธีทาให้จิตเป็นฌานได้เร็วๆไหมครับก็ขยันท่องพุทธวจนทั้งวัน ถ้ามีบ้านควรจะต้องทำบุญบ้านไหมครับแล้แต่เราอยากจะทำก็ได้ไม่ทำก็ได้ชาตินี้ถ้าวางภาระได้ทุกอย่างสมควรไปบวชใช่ไหมครับแล้วแต่ว่าเราอยากจะบวชนั้นไม้ไคำถามสุดท้ายครับอาจารย์ครับนั่งสมาธิพอจิตสงบแล้ว เกิดอาการตัวหมุนเหมือนลูกข่างแล้วจิตเกิดอาการกลัวจนต้องออกจากสมาธิแบบนี้จะแก้ไขอย่างไรครับถ้าควรจะเวลาเกิดความกลัวก็ให้เรานทำพุทโธพุทโธไว้ให้จิตเฉยๆแล้วอาการของจิตมันก็จะหายไปในที่สุดเองไม่ต้องทําอะไรให้มีสติให้รู้อยู่เฉยๆกับอากาสครับอาจารย์ครับ วันนี้มีเพื่อนๆฟังธรรมอยู่ด้วยกันในเฟซ498ครับในยู599ในคลับ4ครับในติ๊ t o k อ527รวม 1,628 คนครับอาจารย์ครับวันนี้คนนี้คนเยอะหน่อยนะอาจจะเป็นหัวข้อก็ได้คราบทางยอดสิบก็เลยมีคนสนใจอยากจะเข้ามาศึกษาก็ดีหวังว่าคงยานได้ความรู้เพิ่มเติมและเป็นผลเป็นประโยชน์ ต่อการปฏิบัติต่อไปการแสดงและการส่งงานทำสําหรับคืนนี้ก็คิดว่าพอสมควรใก่เวลาขอให้ท่านต้งนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรม ย, ยิ่งขึ้นไปเถอดสาธุก็ขอลาคุณหมอและท่านผู้ชมผู้ฟังไว้เพียงเท่านี้ถ้าไม่มีเหตุครับก้องอันใดก็คงจะได้พบกันอีกเช่นเคยในอาทิตย์หน้า ขอจเจริญพรกับอภัยคุณพระอาจารย์ครับ